เสียงอ่านหนังสือมรณนะกถาสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตแนะนำเนื้อหาจากผู้บันทึกเสียงหนังสือเล่มนี้เป็นการรวมพระธรรมเทศนาสีเรื่องซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งอโมคาชีวิกถาการมีชีวิตไม่สูญเปล่าแม้จะมีเวลาอยู่ในโลกนี้เพียงไม่นาน 2. ธรรมดากถามรณสนะติการระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย 3. าปุญยกถาการบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วความหมายและคุณค่าของการสร้างบุญกุศลในงานศพซึ่งล้วนเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและเป็นโอกาสให้ทั้งผู้ล่วงลับและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สั่งสมบุญกุศลอันจะนํามาซึ่งประโยชน์และความสุข 4. ปัญหาถามตอบ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพที่ชาวพุทธทุกคนควรเข้าใจและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเพราะปัจจุบันหลายอย่างกลายเป็นพิธีกรรมที่ขาดความเข้าใจในจุดประสงค์ที่จะเกิดเป็นการบาเพ็ญกุศลและเกิดเป็นประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาได้จริงต่อไปสําหรับเสียงอานในชุดนี้จะเรียงลาดับบทความต่างจากหนังสือนะครับคือเริ่มที่ปัญหาถามตอบธรรมดากถาปุญญากถา และอโมคคัชีวีกถาประอยากเน้นให้ชาวพุทธเห็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนมองข้ามจนเหลือเพียงซากแห่งประเพณีที่ทําตามกันมาด้วยความงม ง, ง, งายและขาดความเข้าใจซึ่งจะปรับปรุงแก้ไขได้จะเป็นการสร้างกุศลให้เกิดขึ้นได้สูงสุดแก่ทั้งคนเป็นและคนตายให้สมกับคําว่าศา ส, สนาแห่งปัญญาได้อย่างแท้จริงงานศพที่เห็นส่วนมาก มักเป็นแค่พิธีกรรมที่หาสาระทางธรรมได้น้อยมากหลายคนอยู่ก็เป็นภาระตายแล้วก็ยังสร้างความเดือดร้อนพร้อมหนี้สินให้คนข้างหลังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายแต่กลับกลายเป็นสร้างจิตอกุศลให้แก่คนที่ไปงานสวดมนต์ก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังไปง่วงไปมีแต่ความเบื่อหน่ายได้แต่ต้องทนว่าเมื่อไรจะจบสักทีและสักแต่ไปเพื่อเป็นมารยาททางสังคม อีกกรณีก็คือเมื่อคนจานวนมากไปรวมตัวกันร้องไห้เศร้าใจคิดถึงผู้ตายปล่อยวางไม่ได้ทำใจไม่ได้กระแสะจิตรุนแรงจากความทุกข์สาหัสก็อาจฉุดคนตายให้ไปสู่สุคติไม่ได้หรือไปได้ยากเป็นพลังร้ายที่ทำร้ายคนตายได้อย่างที่หลายคนคงคิดไม่ถึงกลับกันถ้าทำใจให้ผ่องใสและสร้างกุศ ล, ลจิตได้จริงจะมีผลให้ผู้ตายไปดีได้จริงได้แน่นอนมากกว่า แต่งานศบส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าผู้มาร่วมงานนั้นจิตเป็นกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันแม้แต่นัหนังสือของต่างชาติอย่าง Life in the World unseen ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องโลกหลังความตายจากนักบวชที่เสียชีวิตและติดต่อทางสมาธิได้ท่านก็ยังบอกนะครับว่าพิธีศพของคนในโลกส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน์แต่กลับเป็นโทษ ด, ด้วยซ้าสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ท่านเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาแต่ใจความสำคัญแทบทั้งหมดกลับเล่าตรงกับหลักกรรมในพระพุทธศาสนาอย่างน่าประหลาดใจฟังเรื่องนี้ได้จากในชุดโลกทิพย์ซึ่งชมรมผลดีจัดทำเป็นเสียงอ่านไว้แล้วนะครับคงจะดีถ้าหากเราเตรียมตัวไว้วันนี้วัาถ้าพรุ่งนี้ต้องตายคนข้างหลังจะอยู่กันอย่างไรและจะเดือดร้อนเรื่องงานศพของเราแค่ไหนถ้าบริจากร่างกายไว้ก่อนก็อาจลดภาระได้อีกมาก แถยังได้บุญมหาศาลจากการบริจาคอวัยวะให้คนป่วยหรือบริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์เป็นการสร้างมหากุศลทิ้งท้าให้ตัวเองชนิดที่น้อยคนจะมีโอกาสดีเช่นนี้แถมยังลดความเดือดร้อนค่าใช้ใจ่ายในงานศพที่คนอยู่ต่ออาจต้องทุกร้อนและเป็นหนี้ไปอีกนานแนะนําให้ทำพินัยกรรมชีวิตไปล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดการพิธีศพและแม้แต่ขณะรักษาที่ไม่ต้องยื้อชีวิตถ้าไม่มีโอกาสรอด หรือรอดแล้วจะมีชีวิตลำบากทั้งตนเองและลูกหลานต่อไปตัวอย่างในช่วงโควิดที่เผาทันทีแล้วค่อยไปทำบุญให้คนตายก็รู้สึกว่ากระชับเรียบง่ายประหยัดค่าใช้ใจ่ายและอาจตัดใจได้ง่ายกว่าตั้งศพไว้หลายวันแล้วมาใจจะขาดตอนวันเผาเหมือนที่เป็นอยู่กันโดยมากนะครับซึ่งการทำบุญภายหลังอาจเอากระดูกหรือรูปมาตั้งเป็นประธานเพื่อการแสดงธรรมโดยตรง และการสวดมนต์แทนที่จะมาฟังพระสวดก็ให้คนในงานสวดมนต์ทำวัดเย็นและบทพิจารณาสังขารและความตายไปพร้อมกันจากนั้นให้พระท่านนำทำกรรมฐานจูงจิตทำสมาธิหรือฝึกเดินจงกรมหรือดีที่สุดคือการสอนการเจริญสติดูจิตดูกายที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเสร็จพิธีถวายชุดบวชและเครื่องทยธรรมก่อนร่วมใจอุทิศบุญทั้งหมดให้คนตาย หลายคนอาจไม่เคยสวดมนต์ทำวัดเย็นไม่เคยฝึกสมาธิฝึกจงกรมหรือไม่เคยรู้จักการเจริญสติมาก่อนก็อาจได้โอกาสนี้ในการสะสมกุศลในขั้นภาวนาบารมีให้ตัวเองเหตุแห่งงานศพก็จะเป็นเชื้อแห่งมหากุศลอย่างการเจริญสติที่เป็นบุญใหญ่อันสูงสุดที่เกิดขึ้นจะเป็นผลดีทั้งคนเป็นและคนตายได้จริงต่อไปสำหรับคนไม่มีปัจจัยในการจัดงานก็แค่ทำบุญตามกำลัง แล้เน้นสวดมนต์ทำสมาธิเจริญสติส่งให้ผู้ตายเป็นประจำแค่นี้ก็เชื่อว่าจะดีกว่าจัดงานใหญ่แต่กลับได้แค่งานที่สักแต่ทำพอเป็นพิธีที่อาจกลายเป็นงานสร้างอากุศลจิตพร้อมหนี้สินที่ต้องเป็นภาระต่อไปอีกหลายปีนะครับและขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับถ้าจะให้งานศพเกิดประโยชน์มากขึ้นการเลือกรูปหลายรูปมาตั้งในพิธีตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวันสุดท้าย รูปรอยยิ้มเล่นสนุกรูปได้รับรางวัลสำเร็จในชีวิตให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์จนร่วงโรยทั้งผิวพรรณและหน้าที่การงานน่าจะดีกว่าที่เลือกรูปเดียวมาตั้งที่หลายครั้งก็เป็นรูปหมวนหมองหรือดูไม่ดีและไม่ได้ประวัติชีวิตของผู้ตายครบจริงการตั้งรูปเรียงตั้งแต่เด็กจนตายจะกระตุ้นมรณสติที่ถูกต้องให้ผู้พบเห็นได้ง่ายขึ้นอีกหลายเท่าจะได้เห็นกันจริงว่าชีวิตก็แค่นี้ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้มีแต่ความเสื่อมสิ้นไปเคยหล่อเคยสวยเคยน่ารักน่าชังเคยร่ำรวยเคยดีใจร่าเริงสุดท้ายก็หนีความเสื่อมหรือความตายไม่พ้นเอาอะไรไปไม่ได้เหลือแต่ความดีหรือความชั่วให้คนรุ่นหลังนึกถึงในแง่ดีแง่าร้ายต่อไปรูปการเปรียบเทียบตั้งแต่เด็กจนวันที่ไร้ลมหายใจจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดมรณสติแก่ผู้พบเห็นได้ชัดเจน นับเป็นบุญใหญ่ที่เกิดจากผู้ตายโดยตรงจึงนับเป็นการจัดงานศพที่ไม่สูญเปล่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลอย่างแท้จริงด้วยความประจักษ์ชัดให้เห็นถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่อาจเป็นจุดสําคัญให้อีกหลายคนที่ได้พบเห็นไม่ประมาทในกุศลและตั้งมั่นในธรรมได้ต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับท่านที่กาลังทุกข์ใจเพราะความตายขอให้ระลึกเสมอว่า วันหนึ่งเราจะเตือนขึ้นมาในอีกพบหนึ่งในสิ่งแวดล้อมใหม่ในร่างกายใหม่รอบล้อมไปด้วยผู้คนหรือตัวละครใหม่ที่อาจจะไม่ได้เลยว่าในอดีตรเราเคยเป็นใครหรือความทุกข์เจียนตายที่ผ่านมาเป็นของเราแม้คนเคยรักเคยเกลียดกันในอดีตชาติเดินผ่านมาก็จำกันไม่ได้ชีวิตที่ผ่านไปเหมือนความฝันครั้งหนึ่งที่หาสาระอะไรไม่ได้เลยจริงๆมรณสติเป็นบุญใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญคือระลึกถึงให้มากซึ่งไม่ใช่แค่ระลึกว่าเราต้องตายในวันหนึ่งหรืออาจจะตายในลมหายใจหน้าแต่ต้องระลึกด้วยว่าถ้าต้องตายจริงในวันนี้เราปล่อยวางกำจัดความยึดมั่นถือมั่นละโลภโกรธลงได้แค่ไหนมีบุญหรือมีจิตเป็นกุศลมั่นคงที่จะไปสู่สุคติได้จริงหรื อ, อยังนะครับอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดี ร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักอัศวินอารัฐเทียนงามครอบครัวสินทวัดรประเสริฐเตชาวลีกุลเจ้าภาพรองทิพวรรณเลิศดกิจรุ่งเรืองบนสินีเอี่ยมสำอางโซภาสีโพคาศิลาวินัยวัฒนวงสกตีแซลีนิชามาโซภาพจนาสำนักโนดรัตนนวลพุ่มพวงสุดาพรตงสิริร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องขอทุกท่านร่ว ม, มนุโมทนา สัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงมรณกถฐาสมเด็จพระพุท ธ, ธโคษาจารย์ปอประยุตโตอ่านโดยอริยคุณจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่สามทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตทั้งคนมั่งมีทั้งคนจนล้วนเดินหน้าไปสู่ความตายทั้งหมดภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสุกและดิบล้วนมีความแตกทําลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดฉันนั้นวัยของเรางอมแล้วชีวิตของเรายังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเราจะจากพวกเธอไป เราได้ทำสรณะคือที่พึ่งให้แก่ตนแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีความประพฤติดีงามมีความดาริมั่นคงจงตามรักษาจิตตนผู้ใดในธรรมวินัยนี้จักเป็นอยู่ยังไม่ประมาทผู้นั้นจะละชาติสงสารกระทําความจบสิ้นทุกได้ พุทธพจน์จากทีฆานิกายมหาวัชพระไตรปิฎกเล่มที่สิบปัญหาถามตอบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพจัดพิธีศพอย่างไรจึงจะได้บุญกุศลทั้งเจ้าภาพและแขกปัจจุบันนี้ความคลาดเคลื่อนและเลือนลางต่างๆ ได้เกิดขึ้นในความเข้าใจและการปฏิบัติของคุธศสสนิกชนเป็นอันมากตัวอย่างง่ายๆคำศัพท์ทางธรรมหลายคำได้กลายความหมายไปความหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับความหมายเดิมเช่นทรมานแต่เดิมหมายถึงทำให้หายพยศทำให้กลับใจจากความชั่วร้ายอันมาในทางดีหรือเปลี่ยนจากเข้าใจผิดมาเข้าใจถูก เช่นว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จไปทรมานชดินสามพี่น้องสเสด็จไปทรมานโจรองค์คุลิมานสเสด็จไปทรมานพรหมิชาทิฏฐิเป็นต้นแต่ปัจจุบันนี้เราเข้าใจว่าเป็นทรมานหมายถึงทําให้ลําบากหรือได้รับความเจ็บปวดอย่างมากมายรุนแรงมานะเดิมหมายถึงความถือตัว ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหนึ่งอันจะต้องละปัจจุบันเรามักเข้าใจว่าเป็นความเพียรพยายามและสอนกันให้มีมานะนี้เป็นตัวอย่างความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเข้าใจในถ้อยคําซึ่งมีหลักฐานในคำภีให้สืบหาความหมายเดิมแท้ได้แต่ประเพณีการปฏิบัติต่างๆหลายอย่างไม่มีบันทึกเอกสารไว้ได้แต่ทาตามๆกันมา เมื่อคลาดเคลื่อนเรือนลางไปก็ไม่มีหลักฐานตรวจสอบทำให้ชํมระซาสางได้ยากว่าเดิมนั้นท่านทำอย่างไรและมีความมุ่งหมายอย่างไรกันแน่เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จะทำได้ก็คือเอาหลักใหญ่มาตั้งเป็นเกณฑ์ตรวจสอบหลักใหญ่นั้นคือให้การกระทำแต่ละอย่างเป็นการกระทำที่ทำแล้วกุศลธรรมเจริญ อากุศลธรรมเสื่อมไม่ใช่สักว่าธรรมหรือทาแล้วได้ผลตรงกันข้ามกลายเป็นอากุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมต่อไปนี้จึงค่อยมาพิจารณาคำถามที่ตั้งขึ้นนั้นต่อไปพิธีอาบน้ำศพ บ, บางท่านก็ว่าขออโหสิกรรมหรือไปสู่สุคติเถิด หรือมามือเปล่าไปมือเปล่าหรือตายแล้วเป็นสุขที่ถูกต้องควรกล่าวอย่างไรพิธีอาบน้ําศพจะกล่าวคําว่าอย่างไรขอให้นึกถึงเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จดับคันทัปรินิพานคราวนั้นพระอนุรุตเทระก็อยู่ที่นั่นพระอานนทเทระก็อยู่ที่นั่นพระอินทก็อยู่ แต่ละท่านได้กล่าวคำแสดงธรรมสังเวทท่านละะาักขาก็ว่าไม่เหมือนกันเลยเช่นว่าอ น, นิจจาวัตสังขาราเป็นต้นนี้เป็นคติให้เห็นว่าไม่จําเป็นต้องว่าคาอะไรเป็นอย่างเดียวกันแต่ให้กล่าวคําอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องเจริญกุศลเป็นความตั้งใจดีต่อผู้ตายหรือเป็นคําสอนใจตนเองก็ได้เพียงแต่อย่าให้เกิดจิตเป็นอกุศล เช่นโทสะหรือโมหะเป็นต้นหรือสักว่าทำเปล่าๆเลื่อนๆลอยๆคำที่ให้ตัวอย่างมานั่นส่วนมากก็ช่วยในการทำใจได้แทบทั้งนั้นคำถามการสมทานศีลขณะรับศีลก็ตบยุงกันเปาะแปะคุยกันบ้าง เสร็จแล้วก็ดื่มเหล้าเมายาเล่นการพนันบางคนรับสินแค่สีข้อเว้นสินข้อที่หการสมาทานศินมักจะมีพิธีพิธีนั้นเดิมเป็นการตระเตรียมเป็นวิธีการเพื่อช่วยให้การกระทำนั้นๆเรียบร้อยหนักแน่นจริงจังเช่นจะสมาทานสินเองคือตั้งใจกำหนดใจออกกับตัวเองว่า จะรักษาศีลก็ได้แต่มีพิธีก็เพื่อให้เป็นการสมทับกับตัวเองให้หนักแน่นจริงจังแต่เดี๋ยวนี้คําว่าพิธีกลายความหมายไปในทางตรงข้ามคือกลายเป็นเรื่องไม่จริงไม่จังอย่างที่พูดกันว่าทําพอเป็นพิธีการสมาทานศีลเดี๋ยวนี้ก็มักทํากันอย่างพอเป็นพิธีซึ่งก็คือไม่ได้สมาทานเลยนั่นเอง ตามตัวอย่างที่ท่านเล่ามานั้นก็คงมีแต่พิธีแต่ไม่ได้มีการสมทานศีลนั่นเองเพราะสมทานศีลก็คือเปล่งวาจาหรือตั้งใจจริงจังให้คำมั่นว่าจะรับเอาข้อปฏิบัตินั้นๆไปประพฤติบำเพ็ญเมื่อไม่ตั้งใจรับก็ไม่มีการสมทานศีลอย่างที่เล่ามาอาจจะเรียกว่า เป็นซาบของการสมท า, านศีลเมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็ลองไปพิจารณาปรับปรุงชักชวนกันทำให้พิธีกลับกลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาอีกก็จะเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นคุณแก่ทุกคนและแก่พระศาสนาเป็นอันมาก การสวดพระอภิธรรมสวดกันสามสี่จบสวดภาษาบาลีทำไมต้องทำอย่างนั้นการสวดพระอภิธรรมสามสี่จบเป็นภาษาบาลีนั้นเกิดขึ้นอย่างไรก็ยากจะสันนิษฐานอาจเป็นได้ว่าเวลานั้นคนรู้ธรรมกันมากมายลึกซึ้งและรู้บาลีกันมากด้วยเมื่อมีงานศพจะต้องมานั่งชุมนุมกันนาน แสดงทำอะไรในหมู่ผู้รู้ก็จะจืดเลยเอาอภิธรรมมาสวดเป็นหัวข้อนำเป็นการซักซ้อมทบทวนด้วยและอาจใช้เป็นบทตั้งเมื่อพระสวดจบแล้วก็มาอภิปรายสนทนากันในหัวข้อนั้นๆต่ออีกก็ได้แต่สมัยนี้คนไม่ค่อยรู้ธรรมและไม่รู้บาลีแล้วพระก็ยังสวดไปตามเดิมผลก็เลยกลายเป็นว่า ไม่รู้เรื่องพระที่สวดก็อาจจะไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่รู้เรื่องก็เลยทํากันพอเป็นพิธีบางวัดท่านรู้เท่าทันหวังจะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ไปร่วมงานท่านก็ปรับปรุงเส้ใหม่โดยลดการสวดลงอาจจะเหลือสวดจบเดียวคื อ, อยังรักษาพิธีไว้บ้างแล้วก็ให้พระมาเทศให้ฟังหรือเทศก่อนและสวดสักจบเดียว อย่างไรก็ตามถ้าไม่ระวังให้ดีการเทศก็จะกลายเป็นธรรมพอเป็นพิธีไปเสียอีกถ้าที่ใดพระผู้นำดีเก่งหรือมักคนายกมีปัญญาสามารถก็ปรับปรุงให้มีสาระขึ้นได้แต่ก็ได้เพียงน้อยแห่งและชั่วระยะเวลาเรื่องนี้ยากเพราะคนส่วนใหญ่ไปงานศพพอเป็นมารยาท ไม่ได้สนใจทำหรือจะหาคติจากพิธีศพฝ่ายพระก็คิดเพียงจัดพิธีให้เสร็จเสร็จไปนี่ก็เป็นซากของการสวดพระอภิธรรมอีกเหมือนกันคำถามการฟังพระอภิธรรมก็นั่งฟังพอเป็นพิธีส่วนมากก็ฟังกันไม่รู้เรื่องคุยกันเส้นละมาก ควรทำอย่างไรดีข้อนี้ตอบแล้วในข้อสาถ้าไม่ต้องการให้เป็นซากหรือให้เหลือแต่ซากก็เร่งกระตือรือร้นแก้ไขปรับปรุงกันเสียเมื่อปรับปรุงได้ผลดีสักสองสามแห่งแล้วก็อาจจะนิยมทำกันกว้างขวางออกไปคำถาม การแสดงธรรมนิยมมีเทศแจงปฐมสังคยนณาทุกงานพระท่านก็สรรเสริญเจ้าภาพยกยอกคนตายว่าสละทรัพย์บำรุงพระศาสนาที่ไหนบ้างเป็นต้นและก็มักบอกอานิสงส์ว่าเทศแจงนี้ได้บุญมากมายเพราะมีตั้ง8 4 0 0 0พันพระธรรมขันเป็นการสืบต่อพระศาสนาเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ การแสดงธรรมโดยเฉพาะเทศแจงเป็นเทศใหญ่แต่เดิมอาจจะเป็นโอกาสให้ได้แยกแยะแจกแจงเนื้อหาธรรมะออกไปได้กว้างขวางเพราะเทศแจงคือเทศเรื่องสังคยนาย่อมเกี่ยวกับธรรมวินัยทั้งหมดทั้งสิน้นคราวหนึ่งหนึ่งจะจับเอาจุดไหนมาแยกแยะ ก, ก็ได้และอาจเป็นโอกาสที่จะชำระสาสางความเชื่อถือ ความประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแก้ไขกันให้ถูกต้องสมชื่อว่าสังคยนาแต่ปัจจุบันก็เหมือนกับข้อก่อนๆคือทำกันพอเป็นพิธีก็เลยมีแต่ซากการเทศแจงอีกนั่นแหละเมื่อเหลือแต่ซากก็เลยต้องมาเอาดีกันตรงสรรเสริญผู้ตายแต่ถ้าเนื้อหาที่แสดงหนักแน่นดี การพูดถึงผู้ตายและเจ้าภาพก็เป็นเรื่องประกอบไปได้ไม่เสียหายโดยในยะานี้จะจัดหรือไม่จัดก็พึงพิจารณาดูสาระเถิดคำถามการฟังธรรมคนมักเบื่อการฟังเทศ ก็ฟังกันพอเป็นพิธีมีไม่กี่คนจะมากเอาตอนทอดผ้าบางสุกุลเจ้าภาพก็ต้อนรับแขกเตรียมจัดชื่อคนที่จะเชิญไปทอดผ้าถ้ามีสอสผู้ว่าในอำเภอตำรวจระดับสารวัตรใหญ่มาด้วยเจ้าภาพก็มีหน้ามีตาควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรการฟังธรรม ก็เข้ากับคําตอบที่ชี้แจงมาแล้วในข้อก่อนๆเมื่อตัวสาร่าหมดไปหดหายไปเราก็มาเอาดีกันตรงเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องอย่างที่เล่ามาว่าเชิญผู้มีเกียรติมากมายขึ้นทอดผ้านั้นนิยมทํากันมากในชนบทไม่นานนี่เองในกรุงไม่ค่อยทําเพราะคนมีเวลาน้อยแต่ในแง่สาร่ ก็ไม่ค่อยได้ด้วยกันทั้งในกรุงและนอกกรุงเป็นตะว่าในชนบทมีเวลาที่จะให้แก่เรื่องไม่เป็นสาระมากกว่าก็เลยมีพิธียาวกว่าทางแก้นั่นคือเมื่อดึงความสำคัญในส่วนที่เป็นสาระกลับมาได้ทำสิ่งที่ควรมีสาระให้กลับมีสาระขึ้นมาได้เรื่องปลีกย่อยเหล่านี้ ก็ค่อยๆลดลงไปเองแต่เรื่องนี้เหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้แก้ไขยากคือค่านิยมของสังคมไทยที่พอกพูนขึ้นมาว่าต้องการเกียรติหมดเท่าไรไม่ว่าขอให้ได้ชื่อเสียงคำถาม สวดมาติกานิยมนิมนต์พระมากกว่าอายุคนตายเพราะถือว่าลูกหลานจะได้อายุยืนถ้านิมนต์เจ้าคุณพระครูมาได้มากๆก็ถือว่ามีเกียรติเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ควรทำอย่างไรมาติกาเรื่องนี้ก็เหมือนกับข้อก่อนๆนั่นเองคือเหลือแต่ซากมาติกาเมื่อเหลือแต่ซากแล้ว สิ่งที่ไม่เป็นสาวราต่างๆการถือหยุมยิ้มต่างๆก็ตามกันขึ้นมาเองเป็นธรรมดาเพราะเมื่อหาสาวราจากตัวหลักไม่ได้แล้วก็เอาโชคลางเกียรติชื่อเสียงใส่เข้าไปพอให้รู้สึกว่าได้อะไรบ้างพออุ่นๆภูมิภูมิหมายเหตุมาติกาคือหัวข้อหรือแม่บทแต่ละหมวด เช่นกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอัพยากตตธรรมมาได้แก่หมวดกุศลอกุศลอัพยากฤริซึ่งต้องขยายความต่อไปคำถามการฟังพระสวดมัตติกาแขกก็นั่งพนมมือปากก็คุยกันไปเจ้าภาพก็มวยุ่งเรื่องถอดผ้าจะเอาใครบ้าง ใครก่อนใครหลังใครจะเป็นประธานจุดไฟพระคงจะสวดให้คนตายฟังเพราะก่อนสวดต้องไปเคาะหลวงบอกทุกทีคำตอบข้อนี้ก็ตอบเหมือนกับข้อก่อนก่อนคำถามการทอดผ้าบังสุกุลพิธีกรจะประกาศเรียกชื่อผู้มีเกียรติมาทอดชุดละสี่คน จนเท่ากับจำนวนพระขณะทอดผ้าบางท่านก็ว่านามะรูปังอนิจจังหรือมยามริตตับพังเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ควรทำอย่างไรข้อนี้ก็ตอบเหมือนกับข้อก่อนๆส่วนคาที่ว่าขณะทอดผ้านั้นพึงถือคติอย่างที่ตอบในข้อที่หนึ่งคำที่ยกตัวอย่างมา ถ้าเข้าใจความหมายก็ใช้ได้ขออย่าเพียงว่าเป็นครั้งครั้งไปก็แล้วกันคำถามการพิจารณาผ้าบางสุกุลพระท่านว่าอ น, นิจจาวัตสังขาราจนถึงเตสังอุปสโมสุขโขวักสุดท้ายส่วนมากก็แปล ก, กันว่าตายแล้วเป็นสุขน่าจะถูก เพราะว่าเกี่ยวกับการตายแต่ถ้าปลายอย่างนี้ก็ขัดกับคำว่าโมรณนำปดทุกขังคือความตายเป็นทุกข์ใช่หรือไม่การพิจารณาผ้าบาังสุกุลคำที่พระว่าวักสุดท้ายไม่ใช่แปลว่าตายแล้วเป็นสุขแต่แปลว่าการดับทุกข์ได้เป็นสุข แปลตามสับว่าความสงบระ ง, งับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นสุขหมายความว่าต้องเลิกปรุงแต่งทั้งหมดได้แก่นิพพานไม่ใช่เพียงตายอย่างที่เห็นเห็นกันสังขารเป็นอนิจจงและสังขารเป็นทุกขังสงบระ ง, งับสังขารก็คือสงบระ ง, งับอนิจจงและทุกขังจึงเป็นสุข คำถามการกรวดน้ำบางท่านว่าอิมินาปุญญากาัมเมนะหรือขออุทิศส่วนกุศล น, นี้ให้แก่ผู้ตายหรือไม่ต้องกรวดทําบุญแล้วถึงเองหรือไม่ต้องกรวดถึงกรวดก็ไม่ถึงหรือไม่ต้องกรวดเพราะญาติเขาไปเกิดแล้วหรือไม่ต้องกรวดญาติของเขาไม่ได้เป็นเปรต ความเห็นเหล่านั้นถูกผิดอย่างไรการกรวดน้ำเป็นวิธีการตั้งจิตเป็นกุศลต่อผู้ตายระลึกลึกถึงด้วยจิตใจที่สงบแน่วแน่เป็นสมาธิเพราะตลอดพิธีเจ้าภาพไม่ค่อยมีเวลาหยุดนิ่งโดยเฉพาะไม่ค่อยมีเวลาทําใจสงบเพราะมัวยุ่งนอนยุ่งนี่กับการเตรียมของและการรับคน จึงควรใช้เวลาเนื้อน้อยนี้ให้เป็นประโยชน์อย่ามัวไปยุ่งวุ่นวายว่าจะใช้คำโน้นคำนี้จะกรวดน้ำหรือไม่กรวดเดี๋ยวจะเป็นซากการกรวดน้ำอีกจะว่าคำอะไรก็ได้ที่จะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นแน่วแน่และแผ่ความตั้งใจดีอุทิศบุญแก่ผู้ตายพร้อมทั้งคิดถึงคติที่พึงได้จากงานนั้น หน้าที่ของเราคือตั้งใจดีต่อผู้ตายและทำใจให้เจริญกุศลเขาจะไปเกิดที่ไหนหรือไม่ไม่เป็นหน้าที่ที่จะมาเถียงกันคำถามการทอดผ้าบางสุกุลผู้ที่ทอดเป็นก็ได้บุญ การชักผ้าบางสุกุลพระที่พิจารณาเป็นก็ได้บุญเจ้าภาพจะได้บุญหรือไม่การทอด้าบางสุกุลการชักผ้าบางสุกุลถ้าทําใจเป็นก็ได้บุญทุกคนถ้าทําไม่เป็นก็ได้แต่ซากทุกคนโดยเฉพาะคนที่ทําด้วยมือตัวเองก็เป็นธรรมดา ที่จิตจะโน้มไปได้แรงเพราะจะทำอะไรใจก็ย่อมมุ่งไปในเรื่องนั้นก็อาจจะได้ซากใหญ่หรือได้บุญแรงกว่าคนอื่นเจ้าภาพเป็นเจ้าการในงานนั้นทั้งหมดเป็นผู้ทำบุญได้ตนเองและให้โอกาสแก่คนอื่นได้ทำบุญเมื่อทำใจให้ถูกกุศลธรรมเจริญจิตผ่องใสใจเบิกบานก็ได้บุญทุกทีไป คำถามการจุดไฟหรือเวลาวางดอกไม้จันทร์บางท่านก็ว่าอารหังจุติหรืออยู่เป็นทุกข์ตายเป็นสุขหรือไปสู่สุคติเถิดหรือเราก็ตายอย่างนี้การตายเป็นของธรรมดาไม่ล่วงค้นไปได้ในเรื่องนี้ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร การจุดไฟหรือเวลาวางดอกไม้จันทร์ข้อนี้ตอบอย่างข้อที่หนึ่งคำที่เขียนไปนั้นถ้าเข้าใจความหมายว่าด้วยใจที่ตั้งเป็นกุศลตามความหมายนั้นก็ใช้ได้ทุกคำแต่คำว่าอารหังจุติคงคลาดเคลื่อนไปไม่มีความหมายจะกลายเป็นว่าคลังไป ควรเอาข้อความที่เข้าใจและเป็นคติเพื่อแสดงความตั้งใจดีและเตือนใจตนอย่างที่กล่าวข้างตน้นธรรมดากถาวิธีปฏิบัติต่อความตายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตอ่านโดยอริยคุณ นาบัตรนี้อัตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาร่วมในการทำบุญห้าสิบวันหรือเรียกเป็นทางการว่าปัญญาสมวานเพื่ออุทิศกุศลแก่ท่านผู้ได้ล่วงลับไปแล้วนับการเวลาผ่านโดยลำดับครบ50วันในวันนี้การบำเพ็ญกุศลตามประเพณีประกาศคุณความดีทั้งสองฝ่าย การบําเพ็ญกุศลเช่นนี้นับว่าเป็นการอนุวัตตามประเพณีเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยทั่วไปถือว่าเป็นการประกาศคุณความดีของบุคคลทั้งสองฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ต่อกันกล่าวคือท่านผู้ล่วงลับไปแล้วฝ่ายหนึ่งและท่านที่ยังดํารงชีวิตอยู่และมาเป็นเจ้าภาพอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว การประกอบพิธีนี้เป็นการประกาศถึงความดีของท่านว่าท่านได้เคยกระทำความดีงามมีอุปการะคุณแก่ท่านที่ดารงชีวิตอยู่โดยเฉพาะแก่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพนั้นจึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงคนความดีนั้นหรืออุปการรคุณนั้นแล้วขวนขวายกระทากิจต่างๆอันพึงทำเพื่อระลึกถึงท่านอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน ตามประเพณีนิยมที่ได้สืบกันมาในสังคมและตามหลักของพระาศาสนาส่วนในฝ่ายของเจ้าภาพที่ได้มาประกอบพิธีนี้ก็เป็นการประกาศถึงความดีของท่านว่าเป็นผู้มีกะตันยูกตาเวทิตาธรรมเมื่อท่านผู้มีอุปการะคุณซึ่งได้ทำความดีกก่ตนไว้ได้ล่วงลับไปแล้วก็มิได้นิ่งอยู่เฉย ได้ขวนขวายกระทากิจที่ควรทามีความราลึกถึงท่านและพยายามแสดงตอบแทนในเมื่อไม่สามารถจะกระทําได้ด้วยประการอื่นเพราะท่านผู้มีพระคุณได้ล่วงลับไปแล้วก็กระทําโดยวิธีการอุทิศกุศลตามประเพณีนิยมที่ต้องด้วยหลักพระพุทธศาสนาประเพณีมีไว้เป็นโอกาสที่จะทำความดี แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงความสัมพันธ์และความดีต่อกันระหว่างเจ้าภาพกับท่านผู้ลงรับไปเท่านั้นการที่พุทธศาสนิ ก, กชนแต่โบราณมาได้ตั้งหลักให้มีพิธีกรรมเช่นนี้ขึ้นก็ย่อมมุ่งหมายเพื่อให้เป็นโอกาสที่จะได้กระทำความดีงามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลยย่งยิ่งขึ้นไปด้วยจุดหมายสำคัญของพิธีนั้นก็อยู่ณที่นี้ คือได้อาศัยโอกาสเช่นนี้กระทําสิ่งที่ดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวสภาพเองและเป็นคุณประโยชน์แก่สาธุชนทั้งหลายที่ได้เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีด้วยสําหรับท่านที่ได้ล่วงรับไปแล้วนั้นก็จะได้รับการอุทิศกุศลตามความเชื่อในพุทธศาสนาและประเพณีให้ท่านได้รับผลแห่งบุญกุศล ที่เจ้าภาพได้บำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของท่านในพบสืบต่อไปส่วนทางเจ้าภาพก็ได้ประกอบการบุญการกุศลได้เป็นโอกาสที่ญาติมิตรผู้หวังดีทั้งหลายจะได้มาทำบุญทำกุศลร่วมกันงอกงามในกุณความดียิ่งขึ้นไปในทางพุทธศาสนานั้นท่านให้หาโอกาสทุกอย่างที่จะกระทําสิ่งที่ดีงาม คือเมื่อมีเหตุการณ์น่าพึงใจก็ตามไม่น่าพึงใจก็ตามเกิดขึ้นกุธสาสนิกชนจะได้ใช้โอกาสนี้ทำให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นกุศลมากยิ่งขึ้นไปแม้ว่าความตายเป็นสิ่งไม่น่าพึงใจแต่คนมีปัญญาก็ทำกุศลให้เกิดได้สําหรับในกรณีนี้ ความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจจัดว่าเป็นส่วนอนิจสามณมเป็นการพลัดพรากจากกันแต่ว่าวิสัยของพุทธศาสนิกชนแล้วแม้จะประสบกับสิ่งที่เป็นอารมณ์อันไม่น่าพึงใจมีเหตุการณ์อันทาให้เกิดความทุกข์ความโศกเศร้าแต่ก็ใช้เหตุการณ์ที่โศกเศร้านี้แหละทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นคุณเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ตนเองก็ได้บำเพ็ญกุศลทำความดีในทางศีลและภาวนามากยิ่งขึ้นได้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์บำรุงพระศาสนาจัดพิธีต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ท่านผู้อื่นที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลได้รับความเจริญงอกงามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของตอนเองดังเช่นที่ได้มีพระธรรมเทศนาเช่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นการนาเอาโอกาส หรือเหตุการณ์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งพอเริ่มใช้ปัญญาก็รู้ว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจอันนี้ก็เป็นการกล่าวตามวิสัยของปุถุชนทั้งหลายคือมนุษย์ปุถุชนนั้น ย่อมวัดสิ่งทั้งหลายไปตามความถูกใจไม่ถูกใจของตนเองความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบส่วนสิ่งใดที่เราถูกใจเราก็ชอบเราก็อยากให้เกิดให้มีขึ้นแต่ถ้ากล่าวตามเหตุผลที่แท้จริงแล้วเรื่องความตายนี้ท่านก็จัดอยู่ในคติของธรรมดาคือเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งมีเกิดก็ต้องมีตาย คือเกิดมาแล้วก็ต้องตายหรือที่ตายก็เพราะได้เกิดมาแล้วความเกิดกับความตายนั้นเป็นของคู่กันจะเลือกเอาเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้และเป็นไปตามกระบวนการเหตุผลหรือเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีเกิดก็มีดับหรือว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแตกสลายปไปในที่สุด ท่านพูดถึงความตายเพื่อไวเตือนสติปุถุชนแต่กระนั้นก็ตามอุถุชนทั้งหลายก็ย่อมปรารถนาในส่วนที่ตนถูกใจอยากจะเลือกเอาอย่างเดียวคือตามปกติจะชอบพูดถึงความเกิดเมื่อมีความเกิดขึ้นก็มักจะกล่าวถึงหรือยินดีพูดถึงด้วยความชอบใจ มีความลิงโลดตื่นเต้นกันต่างๆแต่ส่วนความตายนั้นไม่อยากพูดถึงไม่อยากฟังตลอดจนว่าแม้แต่นึกถึงก็ไม่อยากอันนี้ตรงข้ามกับในทางธรรมในทางธรรมนั้นท่านกลับชอบพูดถึงความตายท่านไม่ชอบพูดถึงความเกิดที่คนทั้งหลายชอบหรือปรารถนาเพราะว่าความตาย ท่านพูดขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายให้ได้ความคิดในธรรมะแม้ในโอกาสใดท่านจะพูดถึงความเกิดบ้างท่านก็จะพูดถึงในแง่ที่สัมพันธ์กับความตายเป็นเครื่องเตือนสติเช่นเดียวกันบางครั้งท่านถึงกับพูดว่าถ้าจะกลัวตายก็ควรจะกลัวเกิดเพราะว่าในเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องตาย ในเมื่อไม่อยากตายก็ต้องไม่อยากเกิดท่านเตือนสติแล้วก็แนะวิธีปฏิบัติต่อความตายให้ถูกต้องการที่พูดอย่างนี้ก็เป็นวิธีการของท่านในการที่จะให้เป็นอนุสติเพื่อเตือนใจมนุษย์ทั้งหลายเพื่อจะให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อนึกถึงความเกิดแล้วมีความดีใจก็อาจจะเกิดความมัวเมาประมาทแทนที่จะคิดเร่งขวนขวายในการทำกิจหน้าที่ความดีงามต่างๆก็อาจจะหันไปเพลิดเพลินสนุกสนานหาแต่ความสุขความรนเปรยตนเองและก็ไม่อยากนึกถึงความตายเพราะจิตใจสลดหดหูและทาให้เกิดความท้อแท้อันนี้ในทางธรรมถือว่า เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องทางหลักธรรมท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตายทั้งนี้เป็นการพูดทวนกระแสจิตของมนุษย์แต่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์นั่นเองมุ่งจะให้ยอมรับความจริงแล ะ, ะเผชิญหน้าความจริงและแนะวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องคือไม่ใช่กล่าวเพียงให้ระลึกถึงความตายแต่ท่านให้ระลึกถึงความตาย แล้วแนะวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อความตายด้วยมนุษย์ปุถุชนนึกถึงความตายแต่นึกไม่เป็นมนุษย์ปุถุชนนึกถึงความตายในทางไม่ถูกต้องอย่างไรและในทางพระศาสนาสอนหรือแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไร มนุษย์ปุถุชนนึกถึงความตายยังไม่ถูกต้องคือมีความหวาดหวั่นพร่านกลัวมีความสลดหดหูท้อแท้หรือจะขยายให้พิสดารต่อไปอีกก็สัมพันธ์กับบุคคลที่ตายนั้นที่ตนระลึกถึงถ้าหากระลึกถึงความตายของบุคคลที่ตนเองเกลียดชังหรือไม่พอใจบุคคลที่เป็นศัตรูมนุษย์ปุถุชนก็จะมีความดีใจ แต่ถ้าหากว่าบุคคลที่ตายนั้นไม่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นบุคคล ท, ทั่วไปก็จะระลึกถึงด้วยความเฉยหรือว่าถ้าจะระลึกถึงตัวความตายนั้นก็จะมีความหวาดหวั่นพรั่นใจหวาดเสียวหรือมีความสลดหดหูทอแทรวมความว่าจิตมนุษย์ปุถุชนไม่สามารถตั้งอยู่ในความดีความงามที่แท้จริงได้แต่เอียนเองไปในด้านต่าง ถึงแม้ถ้าไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นนึกถึงความตายของตนเองก็จะมีความหวาดกลัวความหดหู่ท้อแท้ดังเด็กเล่ามาแล้วเริ่มต้นพอนึกถึงความตายต้องให้ได้ความไม่ประมาทส่วนในทางพระศาสนานั้นท่านสอนให้ระลึกถึงความตาย เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจตนเองว่าความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมันจะต้องเกิดมีขึ้นเป็นเรื่องสืบต่อไปจากความเกิดในเมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ต้องไปกลัวแต่มีข้อที่น่าพิจารณาว่าความตายนั้นซึ่งเป็นของแน่นอนแต่จะมาถึงเมื่อไรไม่แน่ชีวิตของคนเราอาจจะสั้นหรืออาจจะยาว ไม่มีเครื่องกำหนดให้มองเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงควรใช้เป็นเครื่องเร่งเร้าตนเองให้มีความไม่ประมาทที่ว่าไม่ประมาทก็คือชีวิตนี้มีกิจมีหน้าที่อะไรก็ควรเร่งรัดจัดทำชีวิตของตนจะมีค่าและความดีงามอย่างไรก็ควรเร่งขวนขวายประกอบกรรมที่จะให้เป็นอย่างนั้นให้ชีวิตของตนมีคุณค่า ให้อยู่ยังมีประโยชน์และตายไปก็มีคุณค่าเหลือทิ้งไว้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นภายหลังด้วยอันนี้เป็นคำสอนขั้นเบื้องต้นทางพระศาสนาสำหรับให้ระลึกถึงความตายพิจารณาความตายให้รู้ทันความจริงของชีวิตส่วนในอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปท่านก็สอนให้พิจารณาถึงความตายนั้นเป็นฐานะเป็นคติธรรมดาดังได้กล่าวแล้วแต่ความหมายของคติธรรมดาคือให้รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่ามีการเริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อจิตใจจะได้ไม่ถูกครอบงำบีบคั้นด้วยความทุกข์จากความพลัดพรากจากการที่นึกถึงความตายของตนเองเป็นต้น คือรู้เท่าทันความเป็นไปของธรรมดาแล้วก็มีจิตใจสบายดำรงอยู่ในปกติได้เสมอรำลึกถึงความตายด้วยความไม่หวาดหวัน่นและเป็นอยู่ด้วยปัญญาคือกระทำสิ่งต่างๆด้วยความรู้และเข้าใจธรรมดานั้นหมายความว่าอยู่ด้วยความรู้เหตุผลอะไรเป็นสิ่งควรทำก็กระทำไปอะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา ควรแก้ไขก็กระทําไปตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นคำสอนขั้นสูงขึ้นไปในทางพระศาสนาลำดับขั้นการพัฒนาของจิตใจในการนึกถึงความตายสรุปว่าท่าทีการปฏิบัติของมนุษย์ ต่อเรื่องความตายนี้แสดงถึงความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของมนุษย์เป็นสามขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งมนุษย์ปุถุชนทั่วไปท่านว่าเป็นปุถุชนที่ยังมิได้สดับคือยังไม่มีการศึกษาก็จะระลึกนึกถึงความตายด้วยความหวาดหวั่นพร่านกลัวเศร้าหดหูท้อแท้ระย่อท้อถอย คันที่สองสูงขึ้นไปเป็นอริยส า, าวกผู้มีการศึกษาได้สะดับแล้วก็ระลึกถึงความตายด้วยเป็นอนุสติสำหรับตักเตือนใจไม่ให้ประมาทเร่งวรขวนขวายปฏิบัติประกอบหน้าที่คุณงามความดีให้ชีวิตนี้มีประโยชน์มีคุณค่าและขั้นที่สคือให้รู้เท่าทันความตาย ซึ่งมีคติเนื่องอยู่ในธรรมดาจะได้มีชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นพร่านกลัวต่อความพลัดพรากเป็นต้นมีใจปลอดโปร่งโล่งสบายและเป็นอยู่ด้วยปัญญาที่กระทําการไปตามเหตุผลด้วยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัยเรื่องท่าทีปฏิบัติเช่นนี้มีใจเฉพาะต่อความตายเท่านั้น แม้ในเรื่องทั่ ว, วไปมนุษย์ก็จะปฏิบัติด้วยท่าทีสามประการเหล่านี้แต่ข้อสังเกตที่น่าจะกล่าวถึงในที่นี้ก็คือในประการที่สองซึ่งในที่นี้กล่าวถึงคำสอนในทางพระศาสนาว่าให้มนุษย์ขวนขวายเร่งกระทำการต่างๆโดยนำเอาการระลึกถึงความตายนั้นมาเป็นเครื่องเร่งเรา ผู้ตุชนดิ้นรนขวนขวายเพราะถูกบีบด้วยทุกภัยและกิเลสมนุษย์ทั่วไปในการดำเนินชีวิตประจําวันนั้นก็อาศัยสิ่งต่างๆเป็นเครื่องเร่งเร้าตัวเองในการกระทําการต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเครื่องเร่งเร้าของมนุษย์นั้นมิใช่เป็นเรื่องคุณธรรมหรืออนุสติอย่างเช่นในทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ หรือมีบ้างก็ปนกันไปกับเรื่องเร้าอย่างอื่นเครื่องเร้าอย่างอื่นที่มีอยู่มากเป็นไปโดยปกติธรรมดานี้มีอะไรเครื่องเร่งเรา้าโดยทั่วไปนั้นก็ได้แก่สิ่งบีบคั้นคือความทุกข์และกิเลส ท, ที่อยู่ภายในจิตใจคือมนุษย์นั้นที่จะกระทาการต่างๆมีความพยายามอะไรโดยมากนั้นต้องมีเครื่องเร่งเร้าขึ้นมา แต่เครื่องเร่งเร้านั้นก็คือเครื่องบีบคั้นนั่นเองคือมนุษย์ถูกบีบคั้นก็ดิ้นรนขวนขวายทาการต่างๆโดยมากไม่สามารถกระทาการต่างๆเพียงด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลเท่านั้นแต่ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเข้ามาเช่นมีความกลัวหรือมีปัญหาเข้ามาเร่งรัดตนเองโดยเฉพาะก็คือกิเลสภายในจิตใจ กิเลสคือความโลภความอยากได้ก็เป็นเครื่องเร่งเรา้าบีบคั้นในใจให้กระทําการต่างๆหรือเพราะโทสะความโกรธความชิงชังความต้องการทําลายความขัดเคืองความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุเร่งเรา้าบีบคั้นในใจให้กระทําการเพียนพยายามดิ้นรนขวนขวายและโมห oh ะ แสดงออกมาในรูปของความกลัวความหวาดระแวงเป็นต้นก็เป็นเครื่องบีบคั้นทำให้ดิ้นรนขวนขวายทำการต่างๆปุถุชนโดนกิเลสบีบก็ดิน้นถูกกิเลสกล่อมก็เฉยอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนที่เป็นไปโดยมาก แต่ถ้าหากว่าไม่มีกิเลสมาเป็นเครื่องเร่งเรา้าไม่มีเครื่องบีบคั้นมาบีบรัดตนเองแล้วปุถุชนก็มักตกอยู่ในความนิ่งเฉยเชยชาไม่ควรขวายกระทําการต่างๆการที่อยู่ในความนิ่งเฉยไม่ประกอบกิจที่ควรทําไม่ลาเว้นสิ่งที่ไม่ควรกระทํานี้คือลักษณะที่ท่านเรียกว่าความประมาทรวมความว่าเพราะอํานาจกิเลส จึงทำให้มนุษย์ดิ้นรนควนควายทำการต่างๆแต่ในเมื่อไม่มีกิเลส ท, ที่บีบคั้นมนุษย์ก็ตกอยู่ในความประมาทซึ่งก็คืออยู่ในอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันแต่กิเลสในที่นี้หมายถึงความติดในความสุขความเพลิดเพลินที่มีอยู่สบายแล้วก็เลยไม่ดิ้นรนกระทาการที่ควรทำเพราะฉะนั้นตกลงว่า ถ้าเป็นปุถุชนโดยสมบูรณ์แล้วก็จะอยู่ด้วยกิเลสทำการควนควายต่างๆก็ด้วยกิเลสอยู่เฉยก็ด้วยกิเลสซึ่งมีสัพเฉพาะเรียกว่าความประมาทนี้เป็นขั้นหนึ่งพระศาสนาให้เราไม่ประมาทตลอดเวลาโดยเอาคุณธรรมและปัญญามากระตุ้นเรา ในทางธรรมต้องการให้มนุษย์ดิ้นรนขวนขวายด้วยอำนาจคุณธรรมให้พยายามนำคุณธรรมเข้ามาแทนเข้ามาเป็นเครื่องเร่งเร้ากระตุน้นเช่นเอาความสำนึกเอาศรัทธาความกรุณาอย่างเช่นการระลึกถึงความตายที่ท่านเรียกว่าบรณัสติเป็นต้นมาเป็นเครื่องกระตุ้นเร่งเร้าใจให้ขวนขวายกระทำการต่างๆมีใจกระทำด้วยโลภะโทสะโมหะ และแม้ไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสเข้ามาบีบคั้นก็ให้สามารถควนควายกระทําสิ่งที่ดีงามอันเป็นการกระทําได้ด้วยคุณธรรมของตนเองคือมีความไม่ประมาทได้เสมอเพราะฉะนั้นลักษณะที่ต่างกันในการควนควายกระทาความเพียรของปุถุชนกับการปฏิบัติตามคำสอนในทางพระศาสนาก็คือ ฝ่ายหนึ่งนั้นดิ้นรนขวนขวายด้วยอำนาจของกิเลสส่วนในทางธรรมะให้ดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามด้วยอำนาจคุณธรรมนี้เป็นชั้นสองคืออาศัยการกระตุ้นเตือนเร่งเราผู้ทุชนระวังไว้แม้แต่ได้ธรรมะก็ยังถลำประมาทได้ สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นรู้เท่าทันธรรมดาเรื่องคติเกี่ยวกับการรู้เท่าทันธรรมดานี้เมื่อนำมาสั่งสอนแก่ปุถุชนก็ก่อปัญหาขึ้นได้อีกคือมนุษย์ปุถุชนนั้นพอจะเห็นพอจะเชื่อเข้าใจเรื่องความเป็นไปตามธรรมดาได้พอมองเห็นธรรมดาก็ปรับใจตนเองได้ใจก็สบาย ที่เคยมีความทุกข์อะไรต่อมีอะไรต่างๆเช่นความพลัดพรากจากคนหรือของซึ่งเป็นที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังต่างๆที่เคยทำให้ตนเองมีความทุกข์เป็นเครื่องบีบคั้นให้ดิ้นรนขวนขวายพยายามนั้นพอได้รับคำสอนทางพระศาสนาให้รู้เท่าทันธรรมดาแล้วก็เลยเชื่อมองเห็นตาม ก็เลยปรับใจได้สบายใจพอสบายใจก็เรียกว่าทุกน้อยลงหรือหมดทุกแต่ปัญหาของปุถุชนก็ตามมาอีกปุถุชนจะไม่ได้อยู่เพียงนั้นพอปรับใจได้และสบายใจก็หยุดไม่ดิ้นรนขวนขวายที่จะกระทากิจที่ควรทำกลับอยู่นิ่งเฉยเสียปัญหาที่แท้จริงก็ไม่ได้แก้ไข ต้นต่อของปัญหาที่แท้จริงก็ไม่ได้ควรขวายจะศึกษาให้รู้และเข้าใจเพื่อจะแก้ไขให้เรียบร้อยตกลงก็เกิดเป็นโทษได้กลายเป็นประมาทไปอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนแล้วแม้ได้รับคำสอนในทางธรรมก็เป็นปัญหาเกิดโทษขึ้นได้เหมือนกันถ้ามีรู้จักคอยฝึกพยายามที่จะดารงตนในความไม่ประมาทอยู่เสมอ ปรับภายนอกกับปรับภายในต้องทำทั้งสองด้านและให้สมดุลในที่นี้มีข้อที่ควรกล่าวแทรกเข้ามาเป็นสองเรื่องคือเรื่องการปรับและการเฉยการปรับมีสองอย่างคือปรับภายนอกกับปรับภายในปรับภายนอกนั้นหมายความว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดเป็นปัญหาขึ้น วุ่นวายภายนอกแล้วเราจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยให้สงบลงได้ก็เรียกว่าปรับอย่างหนึ่งคือปรับภายนอกอีกอย่างหนึ่งคือใจของตอนเองที่วุ่นวายเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนปรับใจของตอนเองได้ด้วยความรู้ความเห็นธรรมดาอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ก็เป็นการปรับอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าการปรับใจ หรือการปรับภายในมนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะมุ่งไปที่การปรับภายนอกอะไรอะไรก็พยายามจะไปแก้ไขภายนอกให้เข้ากับที่ตนเองต้องการเสร็จแล้วระหว่างนั้นก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากเพราะสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจตัวเองทีนี้พอได้รับคําสอนทางธรรมก็รู้จักหันเข้ามาปรับภายใน คือปรับใจของตนเองได้ข้างนอกจะเป็นอย่างไรใจก็พอมีความสุขแต่ถ้าหากไม่รู้จักความพอดีสมดุลก็เกิดปัญหาได้ทั้งสองอย่างคือปรับแต่ภายนอกภายในไม่ปรับก็มีความทุกข์มากถ้าปรับแต่ภายในใจพอมีความสุขส่วนข้างนอกไม่ได้แก้ไขให้เรียบร้อยก็เกิดปัญหาต่อไป เรื่องของปูถุชนก็มักจะวนเวียนอยู่สองประการนี้นี่คือเรื่องของการปรับเพราะฉะนั้นจะต้องหาความพอดีในระหว่างการปรับสองอย่างถ้ากล่าวโดวยทั่วไปก็ต้องปรับทั้งสองด้านเฉยโ ง, ง่กับเฉยรู้ท่าต้องแยกได้และปฏิบัติให้ถูก เรื่องความเฉยได้กล่าวว่าบุคคลเมื่อปรับใจตนเองได้หรือสิ่งต่างๆเป็นไปโดยเรียบร้อยไม่วุ่นวายก็เฉยความนิ่งเฉยนี้ในทางพระศาสนากล่าวโดยย่อมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือเฉยโดยไม่รู้เฉยงโง่โง่ท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาคือเฉยเรื่อยเปื่อยเฉยไม่รู้เรื่องเฉยไม่เอาเรื่องเอาเรา คือไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็นิ่งเฉยหรือว่าเฉยโดยไม่เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้เกิดจากความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นความเฉยที่เกิดจากโมหะหาใช่เป็นคุณธรรมไม่เป็นอุเบกขาชนิดหนึ่งแต่เป็นอกุศลเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยอย่างที่สองเป็นการเฉยอย่างถูกต้องตามหลักธรรม เป็นโโซพเจตสิก ค, คือความเฉยที่เกิดจากความรู้หมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรควรจะทำอะไรเมื่อไรอย่างไรก็เลยเฉยไว้ไม่ตื่นเต้นโวยวายรอทำาปตามลำดับจังหวะขั้นตอนอันนี้เป็นความเฉยที่ถูกต้องในทางธรรมปุถุชนโดยมากมักจะเฉยแบบที่หนึ่งคือเฉยไม่รู้เรื่อง เฉยด้วยโมหะหรืออัญญานุเบกขาเฉยด้วยความไม่รู้ก็เกิดโทษฉะนั้นต้องทำความเข้าใจแยกได้ระหว่างเรื่องการปรับสองอย่างและการเฉยสองอย่างนี้ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เกี่ยวด้วยความประมาทและความไม่ประมาทกล่าวคือเมื่อปรับภายในได้แต่ไม่ควรควายทำสิ่งที่ควรทาต่อไปก็เฉยโดยไม่รู้ หรือไม่หาความรู้ไม่ใช่เฉยที่เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจก็กลายเป็นความประมาทเพลินในความสุขเชื่อในการทำดีนี่ก็ความประมาททั้งนั้นเรื่องประมาทเช่นนี้ไม่เฉพาะปุถุชนเท่านั้นแม้แต่พระอริยบุคคล ท่านก็กล่าวว่ายังประมาทได้ตราบใดที่ยังเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นคือไม่บรรลุอรหัตผลพระโสดาบันพระสกทาคามีเหล่านี้ล้วนประมาทได้ทั้งสิน้นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ประมาทท่านใช้คำว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่สามารถจะประมาทพระโสดาบันนั้นท่านแสดงตัวอย่างไว้ว่า เมื่อได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงแล้วเกิดความพอใจเคยมีความทุกข์มากมายก็ไม่มีความทุกข์หรือทุกข์เหลือน้อยหรือเกินแล้วมีความสุขสบายเกิดขึ้นมากก็มีความพอใจว่าเราได้เพียรพยายามปฏิบัติธรรมมาได้บรรลุผลสาเร็จเพียงนี้มีคุณธรรมในตนแล้วอย่างนี้อย่างนี้ได้ละกิเลสแล้วอย่างนี้อย่างนี้ได้ประกอบด้วยธรรมวิเศษอย่างนี้อย่างนี้ ก็มีความพอใจเป็นเหตุให้หยุดเฉยอยู่สบายสบายพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่านี้เป็นผู้ประมาทแล้วเพราะไม่ขวนขวายเร่งรัดตนเองในการทําความเพียรเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงยิ่งขึ้นไปส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ไม่อาจประมาทเพราะอะไรเพราะมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาและไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้ประมาท ได้กล่าวแล้วว่าคนที่ประมาทนั้นเพราะยังมีกิเลสคือจะด้วยปรับใจตนเองได้หรือด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายยังไม่บีบคั้นก็ตามก็มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ติดในความสุขเพลินในความสบายการที่เพลินติดในความสุขนั่นแหละเป็นลักษณะ ข, ของกิเลสคือเกิดจากกิเลสและเป็นตัวที่เรียกว่าความประมาท ดูปฏิปทาพระอาหารหันต์ไว้เพื่อเตือนใจเราให้ไม่ประมาทส่วนพระอาหารหันต์นั้นเป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันธรรมดาและกระทาการด้วยความรู้เท่าทันธรรมดานั้นเพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งในใจของท่านเองก็ปรับได้มีความสุขในทุกสถานการณ์ขั้นที่สอง ในการปฏิบัติดำเนินชีวิตของท่านก็คือปฏิบัติไปด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอะไรอะไรจะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ถ้าเป็นปัญหาก็ศึกษาหาเหตุปัจจัยและแก้ไขเสียถ้าควรปรับปรุงก็ทำเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ผลที่ดียิ่งขึ้นก็จะทำให้การปรับภายนอกดาเนินไปได้ หรือรู้จนกระทั่งว่าสิ่งเหล่านี้ดำเนินไปไม่ได้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเครื่องวัดความแตกต่างเป็นขั้นๆตั้งแต่กุฏุชนสูงขึ้นมาถึงอริยบุคคลจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์ตราบใด ยังต้องอาศัยเครื่องกระตุ้นเราให้ไม่ประมาทก็ออยังไม่ปลอดภัยจริงทีนี้กลับมากล่าวถึงด้านปุถุชนต่อไปสําหรับปุถุชนนั้นเป็นอันว่าต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเร่งเรามาช่วยให้ดิ้นรนขวนขวายกระทาการต่างๆแต่เพราะเหตุว่าปุถุชนโดยทั่วไปนั้นคอยอาศัยเครื่องเร่งเราบีบคั้นที่เป็นอกุศล โดยอาศัยความทุกข์บ้างโดยอาศัยกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงบ้างในทางพระศาสนาเห็นว่าเป็นโทษจึงได้แนะนำให้ทางที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นคือนำเอาคุณธรรมมาเป็นเครื่องเร่งเร้าตนเองเอาศรัทธามาเป็นเครื่องเร่งเร้าบ้างเอามอรณะสติมาเป็นเครื่องเร่งเร้าบ้างก็ทาให้มนุษย์ประมาทน้อยลงอยู่ด้ความดีงามมากขึ้น กระทำสิ่งที่ดีงามและกระทำการที่เป็นประโยชน์ต่อกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีข้อที่ควรจะระลึกไว้ว่าตราบใดที่มนุษย์ยังต้องใช้วิธีเร่งเร้าบีบคั้นด้วยความทุกข์เป็นต้นแม้ตลอดด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวมาเป็นเรื่องมากระตุ้นตนให้ขวนขวายทำการต่างๆ ต, ตราบนั้นโลกมนุษย์ก็ยังไม่มีความปลอดภัย หมายความว่ามนุษย์ยังไม่สามารถเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาบริสุทธิ์อย่างแท้จริงการที่ต้องอาศัยสิ่งเร้ามาเร่งรัดกระตุ้นตนเองให้กระทำการต่างๆนั้นย่อมเกิดผลสองอย่างคือหนึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความประมาทอยู่เสมอหมายความว่าขาดเครื่องกระตุ้นเร่งเร้าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะตกอยู่ในความประมาทอีก และข้อที่2การประกอบกรรมทำการต่างๆของมนุษย์ที่อยู่ในเครื่องกระตุ้นเร่งเร้าเช่นนั้นจะมีความไม่พอดีอยู่เสมอมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปบ้างไม่พอดีที่จะแก้ปัญหาเพราะทำด้วยแรงแต่ขาดความรู้หรือทำตามความแรงไม่ทาตามความรู้เพราะฉะนั้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเองบ้าง แก่ผู้อื่นบ้างอยู่เรื่อยไปวิถีแห่งความไม่ประมาทและการพัฒนาที่แท้คือเพียนฝึกตนยิ่งขึ้นไปในธรรมและในปัญญาด้วยเหตุนี้ทางพระศาสนาจึงต้องให้มนุษย์ฝึกฝนตนเองให้เจริญงอกงามขึ้นไปในคุณธรรมอยู่เสมอ คือจะต้องให้พยายามเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นอยู่ด้วยรู้เข้าใจธรรมดาความรู้เท่าทันธรรมดาแล้วประมาทหรือไม่นี่แหละเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่าบุคคลผู้นั้นได้บรรลุคุณธรรมสูงแค่ไหนกล่าวง่ายๆว่าตราบใดที่แม้จะได้รู้เข้าใจธรรมะรู้เข้าใจธรรมดาดีแล้วแต่ยังมีความประมาทอยู่ ก็แสดงว่ายังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอย่างน้อยก็ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลหากได้เป็นอริยบุคคลก็อยู่ในขั้นตน้ตนๆย้ำความว่าคนหมดกิเลสแล้วรู้เท่าทันธรรมดาและทำการด้วยความรู้เท่าทันธรรมดานั้นแต่คนมีกิเลสรู้ตามเห็นตามธรรมดา เดือได้รู้ความรู้เท่าทันธรรมดาแล้วแต่ทาการด้วยเอาตัวสบายเป็นเกณฑ์ถ้าตัวสบายแล้วก็ไม่ขวนขวายไม่คิดทาส่วนคนหมดกิเลสรู้เท่าทันธรรมดาสบายใจแล้วแต่ถ้าปัญหายังมีก็กระทํามีอะไรควรทำก็ทาเรื่อยไป เมื่อฝึกตนอยู่เสมอก็คือไม่ประมาทตลอดเวลารวมความว่าพระาศาสนานั้นสอนมนุษย์ให้ฝึกตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเสมอเจริญจากขั้นต้นให้ผ่านพ้นความเป็นปุถุชนที่มีแต่ความสลดหดหูท้อแท้ใจมาสู่ความเร่งเร้าตนเองให้ขวนขวายทำความดีต่างๆ ด้วยอาศัยคุณธรรมนำมาเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจตนเองจนกระทั่งเจริญถึงขั้นสูงสุดก็คือให้อยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาและทําการด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดานั้นตามเหตุตามปัจจัยในวิธีการที่กล่าวมานั้นสําหรับมนุษย์ปุถุชนทางพระาศาสนาได้เน้นในประการที่สองซึ่งอยู่ในขั้นทถ้ำกลาง คือการใช้คุณธรรมมาเป็นเครื่องเร่งเราเรืเลึกถึงความตายคือฝึกใจให้ไม่ประมาทแต่ในกรณีมรณสตินี้ถ้าไม่เห็นว่าท่านใช้ทั้งสองประกอบกันคือประการหนึ่งก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณารู้เท่าทันธรรมดาด้วย ที่ว่าให้รู้ว่าความตายเป็นของธรรมดาเป็นของคู่กับความเกิดเกิดแล้วต้องมีดับเมื่อเข้าใจแล้วก็ทำใจให้สบายหายจากทุกข์ได้แต่พร้อมกันนั้นก็ใช้วิธีเอาคุณธรรมเมเร่งเร้าด้วยโดยให้ระลึกไว้ว่าความตายนั้นเป็นของแน่นอนแต่จะมาถึงวันใดไม่แน่ลงไปเพราะฉะนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้จึงให้เร่งขวนควายทากิจหน้าที่ความดีต่างๆอันนี้คือหลักที่เรียกว่าบรณสติซึ่งตรงตามแนวทางปฏิบัติที่อาตมาภาพได้ยกคําสอนในพระไตรปิฎกขึ้นตั้งเป็นนิเคปบทคือบทหัวข้อสำหรับอธิบายไว้ที่ท่านเตือนให้ระลึกถึงความตายของชีวิตและมีความไม่ประมาทดังพระบาลีว่า นะเหว่าติดถังนาสีนังนะัสยามนังนะปัถะคุงซึ่งแปลได้ความว่าอายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หาไม่หมายความว่ามนุษย์ทั้งหลายนี้อาจจะมีความประมาทยืนเดินนั่งนอนไม่ขวนควายทำสิ่งที่ควรทำปล่อยเวลาผ่านไป แต่ในเวลานั้นให้เข้าใจเถิดว่าอายุสังขารของเราหาได้ประมาทตามเราไปด้วยไม่คืออายุสังขารของเราเป็นไปตามหลักไตรลักษ์มีความไม่เที่ยงมีความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้และมีความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปไม่หยุดยัง้ง เมื่ออายุสังขารเปลี่ยนแปลงไปตกอยู่ในคติธรรมดาอย่างนี้ตลอดเวลาเราจึงไม่ควรประมาทไม่ควรนิ่งเฉยท่านจึงกล่าวต่อไปอีกว่าตาสมาอิทะชีวิตตาเสเสกิจจกรโรสิยานโรนาจามัมเชติซึ่งแปลความว่าเพราะฉะนั้นในชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ คนเราควรกระทำกิจหน้าที่ของตนและไม่พึงประมาทข้อนี้คือการที่จะนำเอาความรู้เท่าทันธรรมดานั้นมาใช้ในทางที่เป็นกุศลให้เป็นประโยชน์จะเกิดหรือตายก็ควรนึกในทางที่จะไม่ประมาท ทางพระศาสนานั้นกล่าวถึงคติธรรมดาในทํานองเช่นนี้ไม่เฉพาะความตายเท่านั้นได้กล่าวแล้วว่าความตายเป็นของคู่กับความเกิดและพระศาสนานั้นไม่กล่าวถึงความเกิดมากนักถ้ากล่าวก็มักจะกล่าวในทางที่เตือนสติมนุษย์อีกว่าความเกิดนั้นนำมาหรือเดินหน้าไปสู่ความตาย ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความขวนขวายไม่ประมาทเช่นเดียวกันถ้าหากพระพุทธศา ส, สนากล่าวถึงความเกิดในทํานองเดียวกับที่สนองความต้องการของมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องยั่วยุมนุษย์ให้มีความมัวเมาประมาทยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านไม่พยายามที่จะสนองความต้องการนี้แต่ท่านกล่าวในทางตรงข้าม เพื่อจะเร่งเร้าให้เป็นไปในกระแสที่ไหลไปสู่คุณธรรมและท่านก็จะให้คติเพิ่มเติมต่อไปอีกอย่างพุทธพจน์ในพระธรรมบทคาถาหนึ่งซึ่งกล่าวถึงมนุษย์ที่เกิดมาก็กล่าวถึงในทํานองที่ว่าให้ขวนขวายในการบำเพ็ญกุศ ล, ลกรรมอีกดังพระบาลีซึ่งแปลความได้ว่าดอกไม้ที่สุมกันอยู่เป็นกองนี้นายช่างที่ฉลาด สามารถนำเอามาร้อยกรองเป็นพวงมาลัยที่สวยงามมีคุณค่าได้ชั้นใดชีวิตคนเราที่เกิดมานี้ก็ควรจะใช้ประกอบกุศลกรรมความดีให้มากชั้นนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงความเกิดก็หมายความว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสในทางที่สนองความต้องการให้เกิดความลิงโลดสนุกสนานดีใจ แต่เตือนสติเราให้มีความไม่ประมาเช่นเดียวกันมองความเกิดก็มองในแง่ไมะมาทใช้ชีวิตนี้ทำกุศลทำความดีให้มากหรือถ้าจะให้มองความตายก็มองในแง่ที่จะเร่งเร้าให้ทำความดีทำประโยชน์เช่นเดียวกันนำโอกาสและเหตุการณ์ มาใช้ให้ก่อเกิดคุณนับประโยชน์วันนี้คณะท่านเจ้าภาพผู้เป็นญาติมิตรได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ท่านผู้วายชนด้วยระลึกคุณและมีจิตใจหวังดีปรารถนาประโยชน์ต่อท่านแต่คุณนับประโยชน์และพิธีกรรมมิได้จำกัดด้วยคุณค่าเพียงเท่านั้น หากมีคุณค่าขยายเพิ่มพูนไปแก่ทุกคนที่ได้มาร่วมพิธีในทางที่เป็นเครื่องเจริญสติเจริญปัญญาอีกด้วยความข้อนี้จึงเท่ากับความหมายที่อาตมาภาพได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าพุทธศาสนกชนนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าพึงพอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามก็สามารถและพยายามนาเอาโอกาสและเหตุการ์นั้น มาใช้ในการทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เกิดกุศลมากยิ่งขึ้นไปท่านผู้วายชนได้ล่วงลับไปแล้วแม้ตามวิสัยของกุถุชนการตายย่อมเป็นธรรมดาที่ไม่น่าปรารถนาเป็นเหตุก่อความทุกข์ความโศกเศร้าแก่บุคคลผู้เคารพนับถือรักใคร่แต่ในเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วได้เป็นไปแล้ว พุทธศาสนิกชนก็นำมาเป็นข้อปรารพที่จะทำให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ดยการบำเพ็ญกุศลตามหลักพระาศาสนาดังปรากฏในที่เฉพาะหน้านี้ซึ่งคุณประโยชน์เกิดขึ้นได้ก็โดยอนุสติและบุญกิริยาต่างๆความตายผ่านไป แต่ความดีงามบุญกุศลเกิดขึ้นมากมายที่กล่าวนี้หมายความว่าความตายของผู้ล่วงลับนั้นไม่ได้เป็นความตายที่ผ่านไปเพียงเฉพาะตัวท่านแต่ยังก่อคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่รู้จักระลึกถึงความตายนั้นด้วยจิตใจที่ถูกด้วยท่าทีที่ชอบด้วยคือทำให้เกิดความไม่ประมาท เร่งขวนขวายทำความดีงามตลอดจนมีความรู้เท่าทันธรรมดาที่จะทําให้ระ ง, งับหายคลายจากความทุกข์จากความโศกเศร้านั้นและเกิดคุณค่าด้วยการประกอบบุญกิริยาต่างๆที่เป็นเรื่องของทานศีลภาวนาที่เป็นเรื่องของทานนั้นก็ด้วยการให้การบริจาค ก, การทําบุญถวายพัตนาหารพระเป็นต้น ที่เป็นเรื่องของศีลก็ด้วยความประพฤติที่ถูกต้องดีงามไม่ล่วงละเมิดไม่ทำความผิดชั่วร้ายอย่างน้อยในระยะเวลาที่ประกอบพิธีนี้ก็ต้องอยู่ในความประพฤติที่ดีงามที่ชอบพร้อมกันนั้นก็จเจริญด้วยภาวนาคือการฝึกอบรมจิตใจและปัญญาของตนทำให้จิตใจมีความสงบความเยือกเย็น เป็นจิตตภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจและทำให้เกิดความเข้าใจในคติธรรมดารู้เท่าทันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นปัญญาภาวนาหรือการอบรมปัญญาซึ่งแม้จะเป็นส่วนเบื้องต้นก็เป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์อยู่ในแนวทางของพระาศาสนาเพราะฉะนั้น อาตมภาพจึงขออนุโมทนาต่อคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทั้งหลายที่ได้บำเพญ็ญกุศลในวันนี้และขอทุกท่านจงเจริญวัฒนาในความดีงามและความสุขโดยทั่วกันปุญญากถาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ปออประยุตโตอ่านโดยอริยคุณณโอกาสนี้อัตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญากถาเพื่ออนุโมทนากุศลบุญราศีในการที่คณะท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญกุศลทักกินานุประทานเพื่ออุทิศแด่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งวันนี้จะได้มีพิธีชาปนากิจคณะท่านเจ้าภาพ อันมีครอบครวัวและญาติมิตรที่เคารพนับถือได้มาร่วมกันจัดงานทาบุญโดยตลอดมาแต่เบื้องต้นได้มาร่วมพิธีกันเป็นการให้กาลังกายบ้างกาลังใจบ้างหรือทั้งกาลังกายทั้งกาลังใจบ้างทำให้งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานนี้ดำเนินมาด้วยดีการบาเพ็ญกุศลครั้งนี้มองในรูปที่ปรากฏทั่วไปย่อมเห็นกันว่า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 และฝึกอบรมเจริญปัญญาอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสามประการในการบำเพ็ญกุศลเมื่อรำลึกถึงผู้ลงลับไปแล้วก็สามารถที่จะทำบุญให้เกิดขึ้นได้ทั้งสามหมวดหรือสามประเภทเหล่านี้ในประการที่หนึ่งคือทานนั้นเป็นส่วนเบื้องต้นที่เห็นได้ง่ายปรากฏภายนอกทางวัตถุ คือเมื่อปรารบถึงท่านผู้ถึงแก่กรรมไปแล้วเจ้าภาพก็พากันทำบุญทากุศลนิมนต์พระสงฆ์มาถวายพัตตาหารถวายเครื่องทยธรรมต่างๆอันนี้เป็นส่วนเบื้องต้นเป็นพิธีกรรมส่วนสามัญที่กระทำกันซึ่งเป็นการอุทิศกุศลแก่ท่านผู้ลงลับไปแล้วและเป็นการเกื้อกูลต่อพระศาสนาโดยถวายกาลังแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนากิจ แต่ทานนั้นไม่ใช่หยุดเพียงเท่านี้ท่านผู้มีความดำริชอบประกอบด้วยปัญญาพิจารณาเห็นเรื่องของชีวิตมาปรารบถึงความตายว่าคติธรรมดาของชีวิตคนก็คือการเกิดการเจ็บแล้วก็ตายอย่างที่กล่าวกันว่าคนทั้งหลายนั้นมาก็มาแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัว สิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าเป็นสมบัติพัสนานซึ่งได้รวบรวมสั่งสมเอาไว้นั้นจะมีมากมายเท่าใดก็ไม่สามารถติดตามไปได้เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้สามารถบรรเทาโลภะคือความโลภความยึดติดความอยากได้ในสิ่งทั้งหลายให้น้อยลงเมื่อบรรเทาความโลภให้น้อยลงพร้อมทั้งมัฉริยะ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 ถ้าจะว่าละทิ้งก็ละทิ้งเพียงร่างกายซึ่งก็ไม่คงอยู่ถาวรเพียงไม่กี่วันร่างกายนั้นก็เน่าเปือ่อยผุพังไปกลายเป็นอย่างที่เรียกกันว่าธาตุสี่แยกเป็นดินน้ำลมไฟก ร, กระจายไปกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรเหลือหลออยู่เป็นรูปร่างเป็นบุคคลอันนี้เป็นสภาพภายนอกเป็นเรื่องทงั้งวัตถุทั้งรูปกายไปแต่ตัว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 คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสังหารชีวิตผู้อื่นที่เรียกว่าปานาติบาทงดเว้นจากการล่วงละเมิดในทรัพย์สินผู้อื่นจากการลักขโมยแย่งชิงที่เรียกว่าอาทินนาทานงดเว้นจากการประพฤติผิดทางเพศที่เรียกว่ากาเมสุมิชาจารงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาคือการกล่าวเท็จทำลายประโยชน์ของเขา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 ทุกคนที่มามีจิตใจรวมกันเป็นเอกฉันในการที่จะอุทิศกุศลแด่ท่านผู้ล่งลับไปเมื่อรำลึกเช่นนี้แล้วก็ตั้งใจแผ่จิตอุทิศกุศลให้แก่ท่านก็จะสำเร็จเป็นปฏิทานไหม่บุญกิริยาและในส่วนของท่านผู้ล่งลับก็เป็นปัตตานุโมทนาใหมสืบต่อไป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 สมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออปยุตโตอ่านโดยอริยคุณหมายเหตุสำหรับบทความนี้ท่านแสดงพุทธพจน์ที่เป็นบาลีจำนวนมากจึงขออ่านแต่คำแปลเพื่อการฟังที่สะดวกของคนทั่วไปนะครับบัรนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในอโมคคชชวิคถาพันานาการมีชีวิตอยู่อย่างมีค่า เพื่อประดับปัญญาบารมีเพิ่มภูณกุศลบุญราศีส่วนธรรมสวมัสดใหม่เนื่อในการที่ชุมนุมปริทัศนเสวนามีคุณสุรักษ์ิวรักษ์เป็นประธานร่วมกันบำเพ็ญกุศลสัตตมาวานคือทำบุญเจ็ดวันเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่นายโกโมลคีมทองผู้เป็นศิษย์และมิสหายของตนซึ่งได้เสียชีวิตไปเพราะถูกประทุศร้ายขณะบำเพ็ญกุศลกรณีจัดเป็นส่วนมิตรผลี และสังฆะธรรมตามสมควรแก่ฐานะนิยมนายโกโมลคิมทองผู้ล่วงลับเป็นแล้วนี้มีชีวประวัติตามที่ทราบมาว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมได้ดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ควรแก่การยกย่องสรรเสริญผู้หนึ่งกรณียากิจทั้งหลายที่นายโกโมลคีมทองได้บำเพ็ญไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่อันเป็นเครื่องแสดงว่าตนได้เป็นผู้ที่มีความคิดหวัง และได้ขวนขวายในการสร้างประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมส่วนรวมนั้นมีหลายประการเช่นการที่ได้เข้าร่วมและเป็นกำลังสำคัญในกิจาการของชุมนุมปริทัศเสวนาแต่เมื่อครั้งยังเป็นนิสิตผู้ศึกษาในคณะครุศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและได้มีโอกาสช่วยเหลือกิจาการของสถาบันแห่งนั้นตามฐานะของผู้ศึกษามีการจัดทาหนังสืออนุสรณ์ของคณะเป็นต้น ครั้งสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเป็นครูศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ยิ่งใส่ใจควรขวายในกิจการของส่วนรวมเพิ่มขึ้นต่อมาเช่นการช่วยเหลือในงานชุมนุมศึกษเสวนาและการได้รับมอบมาให้เป็นบรรณากรหนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์เป็นตน้นและที่สําคัญยิ่งอันเกี่ยวเนื่องมาถึงการสูญเสียชีวิตของตนด้วยก็คือการที่ได้มีศรัทธา ย, ยอมเสียสละความสุขสมราญและผลประโยชน์ที่จะพึงได้แก่ตนในเมืองหลวงอันเป็นทินเจริญ ปลีกตนไปบำเพ็ญประโยชน์สั่งสอนเด็กชาวบ้านถิ่นห่างไกลนักโรงเรียนเหมืองห้วยในเขาตำบุบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนกับทั้งสนใจศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นนั้นๆหาทางส่งเสริมตามกำลังความสามารถของตนตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายที่ถูกประทุดสร้ายถึงแก่สูญเสียชีวิตประวัติของนายโกมลคีมทองทั้งนี้ แสดงถึงอัธยาศัยของเธอที่เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในทางที่ดีงามเป็นผู้มีอุดมคติเป็นผู้ประกอบด้วยความเสียสละและประพฤตินตนให้เป็นไปตามอุดมคตินั้นอย่างมั่นคงจริงจังบุคคลผู้ดมดวงอยู่ในคุณธรรมและเป็นผู้บ เ, เป็นประโยชน์เช่นนี้เมื่อต้องมาสิ้นชีวิตลงก็ย่อมเป็นเหตุก่อให้เกิดความเศร้าโศกเสียดายอะไรถึงแก่ญาติมิตรทั้งหลายเป็นธรรมดา ยิงมาสิ้นชีวิตลงในขณะที่ยังมีวัยหนุ่มแน่นและในขณะที่กำลังบาเพ็ญประโยชน์อยู่เช่นนั้นก็ <S <S น่าที่จะยิ่งให้เกิดความอาลัยเสดายมากขึ้นได้เป็นธรรมดา <S <S เพราะนอกจากการจากไปนั้นจะเป็นการพราด ค, คนดีมีประโยชน์ไปเสียแล้วยังเป็นการตัดรอนประโยชน์ทั้งหลายที่หวังว่าจะพึงได้จากการมีชีวิตอยู่ต่อไปของบุคคลผู้นั้นอีกด้วยอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาในทางธรรม ลำพังการเศร้าโศกอะไรเสียดายถึงผู้ที่ตายไปแล้วย่อมไม่เป็นทางก่อให้เกิดประโยชน์ท่านแก่ผู้อยู่และผู้จากไปเพราะไม่ช่วยให้ผู้ล่งลับไปแล้วกลับคืนเป็นขึ้นมาและจะกลับเป็นโทษแก่ผู้ที่ยังอยู่ทำจิตใจให้เศร้าหมองขุนมัวเป็นทุกข์ทำปัญญาให้อับเฉาด้วยการรำาลึกถึงผู้ตายนั้นจะบังเกิดประโยชน์ต่อเมื่อรู้จักพิจารณาด้วยโยนิสมนสิการ ทำให้เกิดความไม่ประมาทและกำลังใจเข้มแข็งในการบำเพ็ญกุศลกรณีแก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่และทํารงรักษาสืบต่อคุณความดีของผู้ล่วงลับจากไปกล่าวตามหลักธรรมคือความจริงของธรรมชาติชีวิตมนุษย์ย่อมมีความตายเป็นที่สุดหมายความว่าคนทุกคนต้องตายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนสูงคนต่า คนมีคนจนคนฉลาดคนโง่คนดีหรือคนชั่วและไม่สามารถชี้ขาดลงได้ว่าความตายนั้นจะมาถึงเมื่อใดด้วยวิธีใดดังนั้นข้อที่ว่าชีวิตของผู้ใดจะสั้นหรือยาวจึงไม่มีเครื่องกำหนดหาความแน่นอนมิได้อย่างไรก็ตามความยาวหรือความสั้นของชีวิตไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีงามและความมีค่าของชีวิตนั้น บุคคลบางคนอาจมีอายุยืนยาวดมรงชีวิตอยู่ได้นานแต่เป็นชีวิตที่ว่างเปล่าไร้ค่าอย่างที่ทางพระศาสนาเรียกว่าโมฆะชีวิตส่วนบางคนมีอายุสั้นชีวิตจบลงก่อนการอันถือกันว่าสมควรแต่ได้ประกอบคุณงามความดีสร้างประโยชน์ไว้ชีวิตที่ได้เกิดมีขึ้นครั้งหนึ่งแล่นั้นแม้จะสั้นก็ไม่ได้ผ่านลอยหายไปเปล่า แต่ได้บรรดาลผลอันดีขึ้นไว้ในชีวิตอื่นๆให้สืบเนื่องต่อไปชีวิตเช่นนี้ในทางพระศาสนาเรียกว่าเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นสาระไม่ว่างเปล่าเป็นอโมคะชีวิตเนื้อความที่ได้พรณนามานนั้นแสดงให้เห็นว่าความยาวหรือความสั้นมิใช่เป็นเครื่องวัดคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต แต่ประโยชน์และผลดีต่างๆที่เกิดจากชีวิตนั้นต่างหากเป็นเครื่องวัดคุณค่าอย่างแท้จริงกล่าวอีกในย่าหนึ่งว่าบุคคลจะดำรงชีวิตของเขาอยู่ในโลกได้ยืนนานเท่าใดไม่เป็นประมาณข้อสําคัญอยู่ที่ว่าเขาได้ปฏิบัติต่อชีวิตหรือได้ใช้ชีวิตเท่าที่มีนั้นให้เกิดผลขึ้นบ้างอย่างไรถ้าได้ดำรงชีวิตอยู่ในความดีงาม อาศัยชีวิตนั้นทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแพร่หลายออกไปก็ได้ชื่อว่าทำชีวิตให้มีค่าแต่ถ้าปล่อยชีวิตให้ล่วงเวลาไปเปล่าหรือทำชีวิตของตนให้เป็นเหตุทวงขัดขวางและทำลายความดีงามแห่งชีวิตทั้งหลายก็ชื่อว่ามีชีวิตอันไร้ค่าเหตุผลดังได้แสดงมานี้ต้องได้พุทธพท์ว่า บุคคลใดประพฤติชั่วร้ายไม่มีความคิดถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของเขาก็หาประเสริฐไม่ส่วนบุคคลใดมีศีลมีความคิดแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าหรือพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลใดเกียรตคร้านมีความเพียรซ ถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของเขาก็หาประเสริฐไม่ส่วนบุคคลใดมุ่งหน้าทำความเพียรอย่างมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าดังนี้เป็นต้นในเมื่อความยาวหรือความสั้นของชีวิตเป็นสิ่งไม่มีกำหนดแน่นอนเช่นนี้ บุคคลจึงควรปฏิบัติประมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับความสั้นหรือความยาวนั้นด้วยความไม่ประมาทตามเหตุปัจจัยแต่ไม่พึงให้เกิดเป็นความหวาดหวั่นพร่านกลัวหมัวแต่วิตกกังวลเหมือนอย่างบุคคลบางคนที่กลายเป็นกอทุกข์เพิ่มขึ้นแก่ตนยิ่งไปกว่าตัวความตายนั้นเสียอีกซ้ําไปพึงเอาใจใส่ขวรขวาญให้มากแต่ในฝ่ายการดําเนินชีวิตคือในข้อที่ว่า จะใช้ชีวิตของตนอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขที่มุ่งหมายหรือจะสร้างคุณค่าเพิ่มพูนสาระให้เกิดมีขึ้นด้วยชีวิตของตนอย่างไรเพราะความขวนขวายใส่ใจอย่างนี้เป็นเหตุที่มองเห็นเหตุผลซึ่งจะปฏิบัติได้ให้เห็นผลจริงจังและสามารถทำได้แพร่หลายขยายกว้างขวางสืบเนื่องต่อๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดครั้นทาแล้ว ก็มีตาคุณประโยชน์ไม่เป็นความคับแคบและไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตรงข้ามกลับเป็นความปลอดโปรง่งทําจิตใจให้กว้างขวางบังเกิดความกล้าๆเข้มแข็งในการบําเพ็ญคุณประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและให้ได้รับความสุขที่เป็นอิสระเป็นไทยแก่ตนจนเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าพร้อมที่จะตายอยู่เสมอ บุคคลใดมั่นใจในคุณค่าแห่งชีวิตของตนจนเป็นผู้พร้อมที่จะตายได้ทุกเวลาบุคคลนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติต่อชีวิตของตนอย่างถูกต้องตรงต่อคุณค่าและสาระของชีวิตนั้นแม้จะต้องสูญเสียชีวิตคือตายลงในเวลาใดก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความเศร้าโศกเสียดายในชีวิตของตนมีแต่คนอื่นเท่านั้นที่กลับเศร้าโศกอะไรเสียดายถึง เพราะคุณค่าอันเกิดแต่ชีวิตของเขานั้นส่งผลดีงามขยายออกไปแก่ชีวิตอื่นๆการสิ้นชีวิตไปจึงทําให้เกิดความรู้สึกสูญเสียกลายเป็นความเศร้าโศกเสียดายตามวิสัยของปุถุชนการประพฤติป ฏ, ปฏิบัติตามวิธีที่ได้แสดงมานี้กล่าวรวมความสั้นๆว่าเป็นการดําเนินชีวิตตามธรรม และมุ่งอุทิศ ต, ต่อธรรมบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่เจริญแก่กล้าถึงขั้นเป็นผู้พร้อมที่จะตายเช่นนี้ย่อมตระหนักชัดว่าความตายเป็นกติธรรมดาของชีวิตเมื่อไม่ตายอย่างนี้ก็ไม่แน่ว่าจะตายอย่างไหนดังนั้นเมื่อทําการใดที่ได้พิจารณาว่าถูกต้องแล้วก็ดําเนินไปให้ถึงที่สุดโดยมั่นคงโดยในยานี้ จึงเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อทาได้พึงเห็นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งทรงยอมสละพระชนชีพเพื่อโพธิญาณและผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อบูชาอุดมคติอันเป็นธรรมสมตามพุทธศาสนสุภาษิต ท, ที่ว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและพึงยอมสละทุกอย่าง ทั้งอวัยวะทรัพย์และแม้ชีวิตในเมื่อคำนึงถึงธรรมการดำรงธรรมอยู่ได้แม้ถึงต้องสละชีวิตนี้ดูอย่างสามัญเหมือนว่าเป็นสิ่งทาได้ยากยิ่งนักแต่ข้อสำคัญในเมื่อจิตใ จ, จเจริญถึงขั้นพร้อมแล้วดังได้กล่าวมาก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาไปได้เช่นเดียวกันอีกประการหนึ่ง ในชีวิตประจำวันตามเหตุการณ์ที่ปรากฏเห็นการอยู่ทุกๆวันนี้เองหากจะถูกคิดสังเกตสักเล็กน้อยก็จะเห็นได้ว่าคนทั้งหลายพากันยอมเสียสละชีวิตของตนให้แก่สิ่งที่ไม่เป็นสาระคืออธรรมอยู่เป็นจำนวนมากมายทุกๆวันบางก็ยอมสละชีวิตเพื่อความโลภบางก็สละเพื่อโทสะบางสละเพื่อโมหะ นับเป็นข่าวเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอยู่เป็นประจำเมื่อมนุษย์ยอมสละชีวิตให้แก่สิ่งไร้สาระต่างๆโดยไม่สมเหตุผลได้ถึงเช่นนี้เหตุฉะไหนจึงจะยอมสละเพื่อทำอันเป็นสาระและเป็นการสละอย่างมีเหตุผลไม่ได้เล่าเท่าที่ได้บรรยายมามุ่งแสดงให้เห็นปฏิปทาสาหรับดาเนินชีวิตให้เป็นสาระมีคุณค่าควรแก่การมีชีวิตอยู่ นับว่าเป็นปฏิปทาสําหรับผู้มีปัญญาหรือจะต้องดําเนินด้วยปัญญาเพราะด้วยอาศัยปัญญานั่นแหละบุคคลจึงจะสามารถกําหนดแยกได้ว่าสิ่งใดเป็นสาระสิ่งใดไม่เป็นสาระสิ่งใดมีคุณค่าสิ่งใดไร้คุณค่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์บุคคลใดดาเนินชีวิตด้วยปัญญาเช่นนี้ พระพุทธศาสนายกย่องเรียกบุคคล น, นั้นว่าเป็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตแปลตามหลักทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคือรู้จักใช้ปัญญากำหนดแยกสาระและอาสาระเป็นต้นแล้วดำเนินชีวิตของตนให้พ้นจากอาสาระและให้ประกอบด้วยสาระได้จริงอย่างนั้นข้อนี้สมด้วยพุทธพจน์ ที่แสดงความหมายของความเป็นบัณฑิตไว้ว่าเมื่อจะคิดก็คิดการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเกื้อกูลแก่ผู้อื่นเกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดทีเดียวอย่างนี้แหละพิษุิจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากตามในยาพุทธภาษีนี้พึงสังเกตว่าพระพุทธศาสนากาหนดความหมายของความเป็นบัณฑิต โดวยวิธีการดำเนินชีวิตเริ่มแต่ใช้ความคิดเป็นต้นไปกล่าวคือตัดสินด้วยความประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการแม้ความหมายของความเป็นบัณฑิต ท, ที่เข้าใจกันในปัจจุบันคือการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงได้รับป ร, ริญญาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นหากกำหนดด้วยหลักพุทธศาสนาย่อมถือได้ว่า เป็นเพียงเครื่องหมายที่แสดงถึงการที่บุคคล น, นั้นได้ตระเตรียมตนเองให้ได้รับความรู้ความชำนิชำนาญและฝึกหัดอบรมต่างๆไว้เพื่อดำเนินชีวิตให้เป็นบัณฑิตต่อไปกล่าวสั้นๆว่าเป็นการทําตนให้พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตต่อเมื่อใดนำความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกอบรมมานั้นไปใช้ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต ให้เกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นเมื่อนั้นจึงจะเรียกชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตแท้จริงยังมีข้อที่พึงสังเกตอีกประการหนึ่งในเรื่องความเป็นบัณฑิตนี้กล่าวคือการปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตนั้นระบุชัดลงไปว่าให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่บุคคลอื่นๆ และแก่ชาวโลกทั้งปวงว่าโดยความหมายประโยชน์ทุกประการเหล่านี้มีสาระเป็นอย่างเดียวกันต่างแต่ขอบเขตความกว้างขวางมากน้อยกว่ากันเท่านั้นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นและแก่โลกด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นและแก่โลกก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนด้วย เพราะคำว่าประโยชน์ในที่นี้มิได้หมายถึงผลประโยชน์อย่างที่เข้าใจกันโดยสามันโดยเฉพาะประโยชน์ตนย่อมหมายถึงความเจริญงอกงามความมีค่าความเป็นสาระแห่งชีวิตตนการบำเพ็ญประโยชน์ตนก็คือการทำชีวิตของตนให้เจริญงอกงามให้มีค่าเป็นสาระมากขึ้นและการทำชีวิตของตนให้เจริญงอกงามมีค่าเป็นสาระ ก็คือการเสริมสร้างคุณธรรมต่างๆขึ้นในตนอันรวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่โลกด้วยโดยในยานี้การบำเพ็ญประโยชน์ของตนจึงไม่ใช่เป็นการขัดต่อการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่โลกแต่มีความหมายสอดคล้องประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวเริ่มต้นแต่การทำตนให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี มีให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นและพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลาดับการบำเพ็ญประโยชน์ตนด้วยการทำชีวิตให้มีค่าเป็นสาระอันเป็นการเกื้อกูลแก่ผู้อื่นและแก่โลกไปด้วยพร้อมกันนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงตัวอย่างไว้โดยทรงสอนให้สร้างคุณธรรม5ประการขึ้นในตนคือศรัทธาหนึ่ง ศีลหนึ่งสุตตาหนึ่งจาค้าหนึ่งปัญญาหนึ่งจะแสดงความหมายของธรรมเหล่านี้แต่โดยย่อต่อไป 1. สศรัทธาได้แก่ความเชื่อความเลื่อมใสความใฝ่นิยมในคุณค่าที่พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นความดีงามอันควรยึดถือสำหรับมนุษย์ปุถุชน ศรัทธาย่อมเป็นพื้นฐานขั้นแรกของจิตใจที่จะบรรดาลความประพฤติปฏิบัติในขั้นต่อๆไปให้หมุนไปตามและเป็นกำลังอันแรงที่จะชักจูงบุคคลให้กระทำการต่างๆอย่างแข็งขันจริงจังศรัทธามีความสำคัญเช่นนี้พระพุทธศาสนาจึงสอนให้บุคคลปลูกศรัทธาขึ้นในตนและบำรุงศรัทธานั้นให้งอกงาม แต่ศรัทธาที่มุ่งหมายในพระพุทธศาสนานี้ประสงค์เอาความเชื่อในสิ่งที่พิจารณาเห็นจริงแล้วด้วยเหตุผลมิใช่เรื่องงมงายตามปกติจิตใจของปุถุชนยอมจะเชื่อถือผูกพันหรือยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งความเชื่อโดยมีเหตุผลจะช่วยให้บุคคลปลอดภัยจากความหลงผิดหรือมีโอกาสถอนตนพ้นจากความเชื่อถือที่ผิดดำเนินเข้าสู่ทางที่ถูก บังเกิดความเจริญงอกงามแห่งชีวิตจิตใจได้สศีลได้แก่ความประพฤติสุจริตความราบรื่นกลมกลืนแห่งความประพฤติ ท, ทางกายและวาจาการไม่เบียดเบียนไม่ก่อความเดือดร้อนไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ที่ตกลงกำหนดไว้โดยชอบธรรมของกัน ความอยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อื่นในสังคมตลอดถึงการฝึกหัดอบรมขัดเกลวความประพฤติของผู้ต้องการคุณธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปศีล น, นอกจากเป็นคุณธรรมเพื่อความอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมแล้วยังเป็นเครื่องทำสภาพชีวิตให้อยู่ในภาวะอันเหมาะสมที่จะเป็นที่รองรับคุณธรรมอย่างอื่นและเป็นเครื่องปรับชีวิต ให้เข้าสู่แนวทางที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย 3. สุตตะได้แก่ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังและการศึกษาเล่าเรียนความรู้ย่อมเป็นอุปกรณ์สำคัญในการยำรงชีวิตและการประกอบกิจทุกอย่างของมนุษย์เริ่มแต่การประกอบอาชีพเป็นต้นไป ตลอดถึงการที่จะช่วยเหลือตนเองและเกื้อกูลแก่ผู้อื่นในกิจทุกอย่าง 4. จาคะได้แก่ความสละได้ปล่อยได้ความเผื่อแผ่ความเสียสละหมายถึงความมีจิตใจไม่คับแคบไม่สยบยึดติดสามารถวางใจเป็นอิสระเผื่อแผ่แบ่งปัน หรือปล่อยให้แก่ผู้อื่นได้คุณธรรมข้อนี้มีความสำคัญยิ่งในหลายระดับเริ่มแต่การที่จะทำให้บุคคลปฏิบัติตนใ้อย่างถูกต้องต่อสิ่งอำนวยความสุขแก่ชีวิตที่ตนเองสร้างขึ้นมาสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้ตามวัตถุประสงค์ของมันโดยไม่กลับตกไปเป็นทาสของสิ่งต่างๆที่ตนสร้างขึ้นมาเอง ไม่เกิดความหมกมุ่นมัวเมาสามารถเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่กว้างขวางปลอดโปร่งกระจายความสุขให้แพร่หลายออกไป 5. ปัญญาได้แก่ความรู้ความเข้าใจในสภาวะของสิ่งทั้งหลายสามารถแยกแยะสืบสาวความสัมพันธ์ด้วยทางเหตุผล สามารถวินิจฉัยระหว่างดีชั่วคุณโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แลรู้ที่จะจัดการให้เหมาะสมถูกต้องในเรื่องนั้นๆปัญญาเป็นคุณธรรมที่กลั่นกรองและบอกทางให้แก่คุณธรรมอย่างอื่ น, นทั้งหมดเช่นในการที่จะใช้สุตตะคือความรู้วิชาการที่ได้เล่าเรียนให้เกิดเป็นประโยชน์หรือปรุงแต่งความรู้ใหม่ๆเป็นต้น คุณธรรม5ประการนี้เป็นสิ่งที่ทําชีวิตให้เจริญงอกงามมีค่าและเป็นสาระผู้เสริมสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นในตนจึงชื่อว่าเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์ตนและมองเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ตนเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกื้อกูลก่อประโยชน์ผู้อื่นไปด้วยพร้อมกันยิ่งบําเพ็ญมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งขยายออกไปเป็นประโยชน์ผู้อื่นมากเท่านั้นหาขัดแย้งกันไม่ บุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนอยู่อย่างนี้ยอมประสบความสุขโดยตนเองด้วยทำความสุขให้เกิดแก่ผู้อื่นด้วยเพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นตัวสร้างความสุขที่แท้จริงหรือเป็นตัวการที่ทำบุคคลให้พร้อมที่จะรับความสุขได้ไม่เหมือนทรัพย์สมบัติและวัตถุต่างๆที่เป็นอามิตรภายนอกซึ่งกล่าวได้ ว, ว่าเป็นสิ่งให้ความสะดวกสบาย หรือเป็นเครื่องประกอบเสริมความสุขมากกว่าจะให้ตัวความสุขที่แท้จริงความสะดวกสบายต่างๆนั้นเป็นเครื่องอำนวยโอกาสสําสำหรับความสุขแต่ไม่ใช่ตัวความสุขเองและจึงไม่ใช่เครื่องวัดความสุขของคนได้เสมอไปบุคคลผู้มีเหตุแห่งความสุขในภายในเมื่อได้อาศัยความสะดวกสบายเข้าประกอบ ก็ได้สวยความสุขเพียบพร้อมแต่บางคนดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกสบายก็หามีความสุขใหม่โดยในยะนี้บางคนผู้อยู่ในถิ่นห่างไกลจึงมีความสุขได้ยิ่งกว่าบางคนผู้อยู่ในถิ่นซึ่งนับว่าเจริญบางคนผู้มีศรัทธาในอุดมคติยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน ไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความเหนื่อยยากอดทนจึงมีความสุขได้ยิ่งกว่าบางคนผู้หยุดท่ามกลางการบำรุงบำเรอและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งเหล่าพระสาวกจึงสามารถตรัสยืนยันได้ว่าทรงมีความสุขยิ่งกว่าท่านผู้ดำรงอยู่ในอิสริยยศสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยความพรนเปรอไม่ว่าท่านใดกล่าวได้ว่า คุณธรรมเช่นอย่างธรรมหประการนี้มีในบุคคลใดบุคคลนั้นก็มีจิตใจอยู่ในสภาพที่พร้อมจะสวยความสุขคุณธรรมอย่างนี้มีในสังคมใดสังคมนั้นก็ย่อมอยู่ในสภาพซึ่งพร้อมที่จะอำนวยความสุขแก่สมาชิกทุกคนในสังคมประโยชน์ตนที่ถูกต้องแท้จริงย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์แก่โลกด้วยอย่างนี้ จึงควรที่จะหาทางส่งเสริมกันให้มีจิตยินดีและกล้ากล้าอาจหารในการบำเพ็ญประโยชน์ดังที่แสดงมาเพื่อประโยชน์และความดีงามอันร่วมกันและที่ทุกคนมีส่วนได้รับอยู่ด้วยในทางพระาศาสนาก็มีพุทธภาษิตสนับสนุนการกระทาอย่างนี้ดังคถาที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทข้างต้นว่า บุคคลผู้ต้องการบุญจะพึงบำเพ็ญทานหรือประกอบพิธีบูชายอย่างใดก็ตามในโลกตลอดการทั้งปีการที่ประกอบทั้งสิ้นนั้นหามีค่าเท่าหนึ่งในสส่วนของการอภิวาดน้อมเสียนให้แก่ท่านผู้ดำเนินชีวิตตรงไม่การอภิวาทนั้นแหลประเสริฐกว่าและอีกคถาหนึ่งว่า บุคคลใดพึงประกอบพิธีบูชาโดยสม่ำเสมอด้วยใช้ทรัพย์จำนวนพันทุกๆเดือนทวนเวลาตั้งร้อยปีพิธีบูชานั้นก็หาประเสริฐไม่ส่วนบุคคลใดพึงบูชาบุคคลผู้ฝึกอบรมตนแล้วสักคนเดียวแม้ชั่วเวลา ห, ลหนึ่งการบูชานั้นแลประเสริฐกว่าพิธีบูชาตั้งร้อยปีจะมีความหมายอะไร พุทธภาษิตในธรรมบทสองคาถานี้มีความหมายสำคัญที่ควรตระหนักอย่างพิเศษเพราะนอกจากเป็นคำสอนทางจริยธรรมอย่างคำสอนในที่อื่นๆแล้วยังเป็นการกระทาดังที่เรียกในภาษาปัจจุบันได้ว่าการกำหนดค่านิยมใหม่ให้แก่สังคมด้วยว่าสังคมครั้งก่อนและในสมัยพุทธกาลนั้นนิยมยกย่องการประกอบการบูชา และพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากการประกอบพิธีเหล่านี้ล้วนมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนอันเป็นส่วนตนคือทรัพย์ยศอำนาจและการมาสุขต่างๆนักบวชสมัยนั้นได้ยักเยื้องแบบแผนพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ออกไปให้วิจิตพิสดารเป็นอันมากจนผู้ที่พิจารณาด้วยปัญญาจะมองเห็นได้ว่าเป็นสิ่งงมงายไร้สาระเป็นศิลปะปรามาท ขันหยาบชัดแจ้งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วได้ทรงสั่งสอนมุ่งหมายหักล้างความนิยมในการเช่นนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งโดยได้ทรงกำหนดให้บาเพ็ญทานคือการให้เพื่อกำจัดโลภะและเพื่อช่วยเหลือส่งเคราะหกันในสังคมขึ้นมาแทนและฐานนี้ได้เป็นคำสอนหลักใหญ่ปรากฏมากที่สุดในพระพุทธศาสนาข้อหนึ่ง แต่กระนั้นตามพุทธภาษิตสองคาถานี้ทำให้เห็นเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าพระองค์ทรงสอนให้ถือว่าการยกย่องเคารพบูชาคนดีเป็นการกระทำที่สำคัญมีค่ายิ่งขึ้นไปกว่าทานนั้นเสียอีกบุคคลผู้ดำเนินชีวิตตรงหรือผู้ฝึกอบรมตนแล้วตามพุทธภาษิตข้างตน้นอธถกถาอธิบายว่าหมายถึงพระอระหรันต แต่ข้อนั้นเป็นการอธิบายความหมายขั้นสูงสุดเล็งถึงบุคคลในอุดมคติในที่นี้พึงถือเอาความหมายกำหนดแต่ใจความโดยอนุโลมว่าหมายถึงผู้มีความประพฤติสะอาดบริสุทธิ์ดารงคุณธรรมซึ่งยึดถือเป็นแบบอย่างได้ความมุ่งหมายของพุทธภาสิทธ์ทั้งสองนี้อยู่ตรงที่ทรงสอนย้าอย่างหนักแน่นให้สังคมหันมาใส่ใจ ย, ยกย่อง เช่ชูส่งเสริมคนดีและให้ถือเอาความสุจริตและคุณธรรมเป็นเครื่องวัดคุณค่าของบุคคลไม่ช่วัดด้วยอาการภายนอกมีทรัพย์ยศและอำนาจเป็นต้นหากสังคมยึดถือได้เช่นนี้ก็จักเป็นความดีงามและนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่สังคมนั่นเองพร้อมทั้งแก่บุคคลทุกคนผู้เป็นส่วนประกอบแห่งสังคมนั้นชั่วกาลนาน เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาถึงชีวประวัติของนายโกโมลคิมทองตามนัยยะแห่งหลักธรรมที่ได้แสดงมาทำให้ได้ความคิดเห็นว่าเธอเป็นผู้ควรแก้นามว่าบัณฑิตได้ผู้หนึ่งทั้งนี้โดยทั้งสองสถานคือสถานแรกเป็นไปตามความกำหนดนิยมในหมู่ชาวโลกว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเป็นครุศาสตร์บัณฑิตอันถือโดยทางธรรมว่า เป็นผู้ได้สั่งสมความรู้ความสามารถอันเป็นอุปกรณ์ไว้พร้อมเพื่อความเป็นบัณดิตต่อไปในสถานที่สองเธอเป็นบัณดิตโดยชอบตามหลักธรรมเมื่อได้นำความรู้และความสามารถนั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตบำเพ็ญกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ทําชีวิตของตนให้เจริญงอกงามด้วยคุณค่าและสาระบังเกิดผลในทางปฏิบัติอันนับได้ว่า เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์แก่ชาวโลกทุกประการแม้จะดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ได้ทำชีวิตเท่าที่ตนมีนั้นให้มีค่าเป็นแก่นสารเป็นอะโมคาชีวิตคือชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าอันเครียดไม่พึงตีเตียนว่าใช้ประโยชน์แห่งชีวิตไม่คุ้มเวลาแม้ชีวิตจะสั้นก็ใช้ได้คุ้มค่าไม่ควรที่ใครจะต้องเป็นห่วง แต่กลับเป็นเครื่องตักเตือนผู้ยังอยู่เสีอีกซ้ำไปให้ห่วงใยแก่เวลาที่ล่วงไปว่าชีวิตของตนได้บังเกิดคุณค่ามีความหมายอย่างใดบ้างหรือยังนายโกโมวนคิมทองเป็นบุคคลหนึ่งในฝ่ายที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่เมื่อเธอได้บำเพ็ญคุณความดีไว้ชีวิตของเธอจึงมีคุณค่าพิเศษอีกอย่างหนึ่งสาหรับคนรุ่นใหม่ด้วยกันโดยเฉพาะ กล่าวคือเป็นประจักษ์พยานหรือตัวแทนที่ยืนยันถึงความดีงามที่มีอยู่ในหมู่คนรุ่นใหม่และโดยในย่านี้จึงอาจกล่าวได้อีกต่อไปว่า mm. การสูญเสียชีวิตของเธอเป็นการเสียสละเพื่อเกียรติแห่งคนรุ่นใหม่นี้ส่วนหนึ่งโดยเหตุผลนี้หากคนรุ่นใหม่จะมองเห็นคุณค่าแห่งการกระทําของเธอและช่วยกันรักษาความดีนั้นไว้ ก็คงจะเป็นความสมควรยิ่งอย่างหนึ่งและจะเป็นวิธีที่ทำให้การสูญเสียชีวิตของเธอไม่เป็นเหตุการณ์ว่างเปล่าแต่กลับเป็นพลังบันดาลผลที่ยั่งยืนสืบไปและเป็นการช่วยทำชีวิตของเธอให้เป็นเสมือนยังคงอยู่เป็นอมตะด้วยความจริงตัวธรรมะนั่นเองเป็นสิ่งอมตะดังนั้นผู้ใดดำรงชีวิตอยู่ในธรรม ทำชีวิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชีวิตของผู้นั้นย่อมกลายเป็นอมะตะไปด้วยแต่ความเป็นอมะตะเช่นนี้เป็นความอมะตะโดยสภาพไม่เป็นของปรากฏผลในหมู่มนุษย์มนุษย์จะทาความเป็นอมะตะนี้ให้ปรากฏผลเป็นประโยชน์แก่พวกตนได้ก็ด้วยช่วยกันทำให้เป็นไปอย่างในกรณีของนายโกโมลคีมทองนี้ หากประวัติการเสียสละบำเพ็ญกุศลกรณีและการสูญเสียชีวิตของเธอจะเป็นเหตุปลูกศรัทธานในความดีและเป็นพลังผลักดันจิตใจของมิตรสหายและผู้ได้ทราบเรื่องราวทั้งหลายให้มีความเข้มแข็งอดหารในการที่จะบำเพ็ญความดียิ่งยิ่งขึ้นไปการสูญเสียชีวิตของเธอก็จะไม่กลายเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปเปล่าและจักเป็นการทําความเป็นนามตะ ให้ปรากฏแก่ชีวิตของเธอสืบไปการที่จะให้คุณความดีของบุคคลมีค่ายั่งยืนส่งผลแก่ผู้อื่นต่อไปได้ยาวนานนั้นผู้ร่วมสังคมจะต้องช่วยกันยกย่องเชิดชูสนับสนุนให้ปรากฏตามสมควรการทำเช่นนี้มีใจจะเอาใจผู้บำเพ็ญกรณีแต่เพื่อทำรงความดีของสังคมสมตามพุทธพจน์ที่แสดงมาข้างต้น แม้คณะเจ้าภาพผู้มาบำเพ็ญกุศลในบัดนี้ก็คงมีความมุ่งหมายเช่นเดียวกันจึงได้ควรขวายจัดงานบุญสัตตมวานอุทิตให้ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจกุศลบุญราศีที่คณะเจ้าภาพได้บำเพ็ญทั้งมวลจงเป็นภลวะปัจจัยอำนวยวิบากสมบัติแก่นายโกมลคีมทองตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมประยภพ ตามเจตจำนงของคณะเจ้าภาพทุกประการอัตมาภาพรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอโมค่าชีวิกถาโดยสมควรแก่เวลายุติลงแต่เพียงนี้จบเสียงอ่านหนังสือมรมนกถาสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ อปออกพยุตโตอ่านโดยอริยะคุณเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาผู้ร่วมจัดทำเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ครอบครัวกหาสุวรรณครอบครัวสิริวัตรอ น, นกทษาพมรสีเพชรกลมปรัชญาจำปานนวอ น, นิตาหง์ประเสริฐประสงค์และปะวีนาลีเหมอดไยกัญญนัททองบุญ นพดลชัยรุ่งปัญญาอภัสรินเปี่ยมวิมล น, นภาพรปัญญารัตนคุณากรพศเคลือบุญนภัชชาทวินกมลพัฒอังคณามนธาทิบกุลสิทธิพลเปี่ยมหัสพลสิตาสีบุญชูอันนันดีลาสมานชัยรุ่งโรดสังป่าและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลอย่งขึ้นไปนะครับสับพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง